สมัยเป็นนิสิตแต่ก็ยังไม่เข้มข้นเหมือนกับที่เราไปฏิบัติจริงลงไปสู่สนามจริงพอไปสู่สนามจริงแล้วถึงจะรู้ว่ามันไม่ง่ายอย่างที่คิดบางคนก็ทอ้อบางคนก็เปลี่ยนเข็มทิศชีวิตความแตกต่างระหวา่าง คนหนุ่มสาวที่จบปริญญาใหม่ๆกับคนแก่อยู่ตรงไหนอยู่ตรงที่ว่าคนหนุ่มสาวมองไปข้างหน้าด้วยความหวังคนแก่เท่ามองกลับข้างหลังด้วยความอาลัยคนไหนพูดแต่เรื่องอดีซ้า ๆ, ๆสากๆแก่แล้วหมดสมรรถภาพ ความแก่ความหนุ่มไม่ได้อยู่ที่อายุแต่อยู่ที่วิธีคิดถ้าท่านมุ่งที่จะเดินไปข้างหน้าด้วยความหวังความผิดพลาดมีโอกาสแก้ตัวคนหนุ่มสาวได้เปลี่ยนตรงนี้ส่วนคนแก่เท่านี่เวลาในชีวิตมันน้อยผิดพลาดบางทีไม่มีโอกาสแก้ตัว เพราะฉะนั้นพวกเรานี้ยังมีโอกาสเรียนรู้จากความผิดพลาดแล้วกลั่นมาเป็นประสบการณ์มาเป็นบทเรียนแต่ถ้าผิดพลาดบ่อยมันก็เสียเวลาการศึกษาในมหาวิทยาลัยก็คือการที่อาจารย์ทั้งหลายได้กลั่นประสบการณ์จากความผิดพลาดความล้มเหลวเหล่านั้นมาสรุปเป็นหัวใจ แห่งประสบการณ์สั่งสอนอบรมพวกเราเหมือนกับเป็นแผนที่เดินทางตรงนี้เป็นเหวตรงนี้เป็นฝากหนาวากหนามเราก็จะได้ไม่สำรอยแห่งความผิดพลาดและเดินตามรายแทงแห่งความสำเร็จนี่คือ ข้อได้เปรียบของผู้มีการศึกษาเราไม่ต้องไปมงคงลองผิดลองถูกและไปผิดซ้ำๆกับคนที่เคยผิดพลาดมาแล้วเราสามารถเริ่มต้นใหม่ให้มันดีกว่าเก่าต่อยอดของความสำเร็จของรุ่นพี่รุ่นครูบาอาจารย์มหาวิทยายลัยที่ เรียนรู้ตลอดเวลาอย่างมหาจุฬาเนี่ยจะต้องพัฒนาตลอดอะไรที่เคยเป็นความผิดพลาดล้มเหลวของรุ่นต่อเก่า ต, ต้องนํามาวิเคราะห์เรียนรู้และปรับปรุงอย่าย่ําเท้าซ้ารอยเดิมอะไรที่เป็นความสําเร็จต้องบอกรุ่นต่อๆไปให้ใช้เป็นสูตรสาเร็จ ประหยัดเวลาในชีวิตเพราะฉะนั้นการที่องค์กรต่างๆทำอย่างนี้เราเรียกว่า learning organization เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้พัฒนาตนเองตลอดเวลาไม่ใช่ไปหลับหูหลับตาทำงานโดยไม่มีการได้บทเรียน เช่นเดียวกับที่ท่านไปทำงานหนึ่งปีเนี่ยท่านต้องฉลาดกว่าเก่าฉลาดกว่าวันที่ท่านเรียนจบปีสี่หรือปริญญาหกและสรุปเป็นบทเรียนชีวิตที่จะเดินหน้าต่อไปและวันนี้เราก็มาแลกเปลี่ยนมาให้ความรู้ที่ได้จากประสบการณ์รงนั้นท่านเทียบกับการศึกษา กับปัญญาสามในพุทธศาสนาปริญญาตรีจะเน้นสู่ตมยปัญญาปัญญาที่เกิดจากการรับข้อมูลจากครูบาอาจารย์ท่านเรียนท่านจำได้แต่ยังไม่เคยใช้ปริญญาโทรเรียนเรื่องเดียวกันนั่นแหละแต่เน้นที่จินตามยปัญญาคิดวิเคราะห์เช่นตอนทําวิทยานิพนธ์ ต้องเป็น analyical studies ศึษษาวิเคราะห์ใช้ความคิดเน้นจินตามายาปัญญาแต่ก็ยังขาดข้อที่สามก็คือภาวนามยาปัญญาปัญญาที่จะเกิดจากประสบการณ์ตรงในชั้นปริยายเองเนี่ยนอกจากคิดแล้วต้องลงไปพิสูจน์ทดสอบ experiment ทดลองแล้วจากการทดลองเราก็ได้ประสบการณ์ตรงเรียกว่าภาวานามยะปัญญาภาวานามยะปัญญาคือปัญญาที่เกิดจากทักษะการลงมือปฏิบัติผมเขียนกอไก่ได้ไม่ได้ท่องผมไม่ได้ท่องมาต้องลากเส้นอย่างนั้นอย่างนี้แล้วเวลาเขียนกอไก่ทุกวันนี้ผมก็ไม่ได้คิดเลย กอไก่ขอไก่ก็เขียนได้โดยอัตโนมัติมันไม่ใช่สูตรต่างไม่ใช่จินต่างแต่เป็นภาวนาคือฝึกอบรมเกิดมาเขียนกอไก่ไม่เป็น A B C D ไม่เป็นดังนัง้นเกิดมาผมก็ไม่ได้เป็นนักเทศนักพูดแต่พอท่านจับผมมานั่งตรงนี้ให้บรรยายผมก็พูดได้เป็นผลจากภาวนามยนยายะบแต่ยางฝึกอบรม หนึ่งปีที่ท่านปฏิบัติศาสนกิจมันคือภาวนามยากกันอย่างและเอามาบอกตัวเองสอนตัวเองว่าใช่ทางของเราหรือไม่เราจะเดินหน้าต่อไปทางนี้ค้นพบตัวเองหรือเปล่าหนึ่งปีที่ท่านทางานท่านค้นพบตัวเองแค่ไหนและจะเดินหน้าต่อไปอย่างไรจะไปเรียนต่อถ้าความรู้ของเราไม่แน่น หรือฐานที่เราทำนั้นมันมีอยู่แล้วไปทาต่อก็อแล้วแต่ทำมาวันนี้มาเพื่อตรวจสอบตัวเองทบทวนความรู้แล้ววางแผนชีวิตชีวิตที่ไม่มีการตรวจสอบไม่มีค่าแก่ควรแก่การดำรงชีวิตเหมือนที่พระเจ้าตรัสว่า คนไม่มีปัญญาก็เหมือนกับคนตาบอดที่เหยียบไปได้แม้บนไฟที่ส่องทางเรื่องดีๆในชีวิตเกิดขึ้นมากมายเราไปทำลายทิ้งจะเยอะตรวจสอบตัวเองแล้วเราก็จะเดินหน้าต่อไปสิ่งที่ผมจะถือเป็นตัวอย่างของการตรวจสอบสังคมก็คือหัวข้อของการบรรยายในวันนี้ พระพุทธศาสนากับธรรมมาพิบาตดูเหมือนมันเป็นเรื่องทางไก ต, ตัวของท่านแต่ผมอยากจะบอกว่ามันคือเนื้อตัวของสังคมไทยและมันก็สร้างปัญหาให้สังคมไทยมาจนทุกวันนี้แม้กระทั่งเรื่องศาสนาประจำชาติเพราะเราขาดธรรมมาพิบาตหรือพระพุทธศาสนา มีส่วนน้อยไปหน่อยในการสร้างระบบธรรมาิปาลเศรษฐกิจของประเทศเราจึงประสบวิกฤต 2,540 การเมืองก็ประสบปัญหาเกิดความขัดแย้งในสังคมไทยภาคใต้สามจังหวัดล้อลูกมาจากขาดธรรมิปาล การบริหารวัดของท่านบริหารโรงเรียนที่ท่านรับผิดชอบที่มันไม่เจริญก้าวหน้าก็เพราะขาดธรรมมาภิบาลและสิ่งเหล่านี้เองที่ท่านทั้งหลายอยากจะไปทํางานให้ประสบความสำเร็จท่านต้องใช้ระบบธรรมมาภิบาลเราเข้าใจเรื่องธรรมมาภิบาลในฐานะที่ถ้าเราเป็นปลา ทำมาพิบาลก็คือน้ำเข้าใจน้อยไปหน่อยนกไม่มองไม่เห็นฟ้าปลามองไม่เห็นน้ำไส้เดือนมองไม่เห็นดิอะไรที่เราคุ้นเราชินเรามองไม่เห็นเงื่อนของปัญหาถอนใจออกจากสถานการณ์ที่มันเป็นปัญหาวันนี้เลยนะมานั่งคุยกันท่านไปเจอของแข็งไปเจอปัญหาอะไรมามานั่งคิด มันขาดทรมาพิบาลข้อไหนทั้งหน่วยงานที่เราเข้าไปเกี่ยบข้องทั้งตัวเราเองและเราก็มาดูกันว่าเราจะมีส่วนช่วยพัฒนาสังคมไทยในยุคที่เป็นโรคขาดทรมาพิบาลได้อย่างไรและผมก็นำเอาเรื่องนี้กุศลก r รมนันรือธรรมาพิบี่ยเป็นหัวข้อของการประชุมระดับโลกวิสาขาบูชาโลกที่ผ่านมา contribution of Buddhism to good governance and development เป็นสีนใหญ่เป็นหัวข้อใหญ่ของการสัมมนานคู่นูระการของพระพุทธศาสนาที่มีต่อธรรมมาธิบานและการพัฒนาผลจากการประชุมทำให้เรารู้ตาสว่างขึ้นว่าโลกโรคขาดธรรมมาธิบานนั้นสร้างปัญหาแก่บ้านเมืองอย่างไร และถ้าเรามีหลักธรรมะพิบาลมันจะช่วยบ้านเมืองอย่างไรพระพุทธศาสนาจะมีขรรภการต่อเรื่องนี้อย่างไรแน่นอนว่าวิทยากรที่เราเชิญมาก็ไม่ได้พูดครอบคลุมให้สอดคล้องกับสังคมไทยแต่เมื่อเราอยู่ในบริบทแห่งสังคมไทยเราต้องมาเริ่มจากที่นี่ว่าประเทศไทยนั้นเป็นอย่างไร เราจะนำเอาพุทธธรรมนั้นไปช่วยในการาตั้งหลักธรรมอภิบาลอย่างไรก่อนอื่นก็ขอบอกท่านทั้งหลายว่าเรื่องที่พูดต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของการบูรณาการเข้ากับศาสตร์สมัยใหม่ในปรัชญาของมหาจุลามหาจุลานะวันนี้มีปรัชญาว่า เป็นศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาของโลกเป็นอย่างไรถ้ามีเวลาจะอธิบายบูรณาการเข้ากับศาสตร์สมัยใหม่เรียนพุทธศาสนาแล้วต้องแอ p l ลประยุกต์แก้ปัญหาสังคมเข้ากับศาสตร์สมัยใหม่เป็นเอ็นเก b บ d d h i s m พระพุทธศาสนาเพื่อสังคม เพื่อพัฒนาจิตใจและสังคมก็คือแอปพลายหรือระยุพระพุทธศาสนาไปพัฒนาจิตใจและสังคมคำว่าเพื่อสังคมหมายความว่าอย่างไรเราสามารถเรียนในมหาวิเลยท่องพระไตบปิฎกจบปริยายเองแต่ไม่ได้คิดเพื่อสังคมก็เป็นได้ต่างคนต่างเรียนเป็นคันถักทุรก แล้วก็อยู่บนหอคอยงาช้างโลกจะไหม่เป็นไฟก็ช่างเราก็ไม่สนใจชาวพุทธจะถูกฆ่าที่ไหนก็ไม่สนก็อยู่ได้เช่นเดียวกับท่านติชนัทหันที่เรานี่มนต์มาท่านบอกว่าท่านเคยนั่งหลับตาภาวนาอยู่ที่เวียดนามในช่วงสงครามเวียดนามและเบิด อของข้าศึกทิ้งลงมาจากขึ้นบิน ต, วว ต, ววตัวุ้มตันตุมชาวบ้านล้มตายจานวนมากแต่สํานักกรรมฐานก็ยังหลับตาภาวนากันอยู่ไม่รู้ร้อนรู้หนาววันหนึ่งคนที่ปฏิบัติในพวกโยคยีทนไม่ได้ก็บอกกับท่านติสินัฐถานว่าเราไม่น่าจะมาหลับตาภาวนาอยู่ตรงนี้ ถ้าโลกร้อนเป็นไฟลุกเป็นไฟเราต้องไปช่วยชาวบ้านจะมาหลับตาภาวนายอยู่อย่างไรเช่นเดียวกับที่ตั้งคนถามถ้าบ้านเมืองมันเป็นอย่างนี้จะมาหลับตานั่งเรียนหนังสืออยู่ได้อย่างไรไฟายหนึ่งก็บอกว่าเราต้องออกไปช่วยยกเก็บศพก็ยังดีช่วยผดมพยาบาลก็ยังดีอีกฝ่ายหนึ่งบอกไปไม่ได้ไปแล้วกรรมาฐานเสือ่อม อยู่นี่แหละทิ้งกรรมฐานไม่ได้เข้าชานานานตั้งเดือนไม่เคยลื่อนเคลื่อนกายาถือศีลกินวาตาเป็นขาสุขทุกคืนวันในที่สุดที่ประชุมก็อภิปรายว่าควรหรือไม่ควรสุดโต่งก็คือออกไปช่วยทิ้งกรรมฐานอีกสุดโต่งก็คือปฏิบัติกรรมฐานทิ้งสังคม ที่ประชุมคุยกันเอาสองฝ่ายมาคุยกันแล้วในสุดได้จุดทางสายกลางเป็นไปได้หรือไม่ที่จะไปช่วยสังคมไม่ทิ้งสังคมและปฏิบัติกรรมาฐานไปด้วยภาวนาไปด้วยท่านติชนะพันธ์บอกได้เอาถ้าได้ก็ไปสิในขณะที่เราออกไปช่วยคนยกศพหามศพช่วยปฐมพยาบาลเราก็ซ้ายย่านหนอฝ่า ย, ย่านหนอไปด้วยระเบิดมาก็วิ่งหนอวิ่งหนอ จเจริญสติตลอดเวลาให้ถือการบริการสังคมเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติธรรมหรือจเจริญจิตภาวนาอย่าทิ้งจิตภาวนาเด็ดขาดยิ่งมีสถานการณ์ที่มีปัญหาเราจะต้องภาวนามากขึ้นจิตมันจะได้จเจริญ ม, มากขึ้นสติมากขึ้นปัญญามากขึ้น ให้ถือการช่วยคนอื่นเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติธรรมและนั่นคือจุดเริ่มต้นของกระบวนการของท่านติชนธรรมซึ่งปัจจุบันนี้แพร่ไปทั่วโลกพระพุทธศาสนาเพื่อสังคมในขณะที่ภาวนาในขณะที่ช่วยชาวบ้านก็ภาวนาในขณะที่ภาวนาถือโอกาสช่วยชาวบ้านเป็นส่วนหนึ่งของการภาวนา ท่านพุทธทาสพูดไว้พร้อมๆกันว่าการทำงานคือการปฏิบททัติธรรมไม่ใช่เฉพาะเวียดนามประเทศไทยก็ถือว่าในขณะที่เราทำงานเนี่ยเป็นข้าราชาการถ้ามีธรรมะมีธรรมะไปพร้อมๆกับการปฏิบัติราชาการอย่าทิ้งธรรมะ และให้ถือการปฏิบัติราชการเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติธรรมการทำงานคือการปฏิบัติธรรมทำงานให้สนุกมีความสุขกับการทางานไม่ว่าจะเป็นข้าราชการไม่ว่าจะเป็นเอกชนหรือไรกรตามท่านหนึ่งปีที่ท่านออกไปสอนนักเรียนมีสติมีสมาธิมีปัญญามีใจฉิบขา ถือเอากิจกรรมนั้นเป็นการพัฒนาตนัวเองปฏิบัติธรรมพูดสรุปให้ชัดตรงนี้ก็คือว่าคนเนี่ยมักจะนึกว่าปฏิบัติธรรมมันแยกจากงานงานแยกจากธรรมแท้ที่จริงธรรมคือก็คืองานงานก็คือธรรมะคนไทยเชื่ออย่างนี้เยอะยิ่งไปปฏิบัติกรรมาฐานยิ่งทิ้งงาน บางคนไปปฏิบัติงานก็ทิ้งกรรมฐานพวกเราส่วนมากก็ทิ้งอย่างใดอย่างหนึ่งเสมอไม่มีกรรมฐานเพื่อรักษาตัวเช่นเจริญสติควบคุมอารมณ์เวลาเราถู ก, ถกยว่วยุถูกยั่วให้โกรธท่านต้องมีกรรมฐานรักษาใจผมจัดประชุมชาพุถวโลกกี่วัน ถึงถึงเวลาเราก็ต้องต้อนรับแขกทั้งหลายแต่ท่านรู้ไหมงานมันยุ่งยากสารพัดมันไม่ได้ดังใจหรอกร้อยพ่อขันแม่เราจะทนกับสิ่งที่ไม่ได้ดังใจยิ้มแย้มแจ่มใสต้อนรับแขกของเราได้อย่างไรไม่มีธรรมะไม่ได้ท่านและถ้าเราไม่มีธรรมะมหาจุราไม่ยิ้มแย้มแจ่มใสต้อนรับปฏิคมที่ดีเป็นมิตรทีดีเขาไม่มาติดต่อกันสามปีและยิ่งมายิ่งมาก ปีแรก41ประเทศปีที่สอง45ประเทศปีที่สามปีนี้61ประเทศมาแล้วก็มาอีกเรามีน้ำใจเราปฏิบัติธรรมอย่างน้อยสัง ข, ขาวัตถุเรามีอันวิสัยคนไทยแต่โบราณใครมาถึงเรือนชานต้องต้อนรับปฏิบัติธรรมครบไปปฏิบัติกรรมาฐานกับหลวงพ่อชาววัดหนองป่าพง นั่งกรรมฐ า, านอยู่ในกุฏิเล็กๆปล่อยให้ลังคาร่วงรู้โวฝนสาดแดด่องไม่ซ่อมหลวงพ่อชาเดินตรวจวัดกรรมามว่าคุณทําไมปล่อยให้ฝนสาดแดด่องอยู่อย่างนี้ไม่รู้จัดซ่อมบ้างไม่กลัวแดดรบฝนเหรอพระรูปนันก็นบอกไม่กลัวครับผมฝึกขันติบา ร, รมีครับอดทนครับทำไมงั้นอะ่ะ คือผมสังเกตอย่างนี้นะหลวงพ่อนะวัวควายมันยังไม่กลัวแดดกลัวฝนผมเป็นขคนไปกลัวแดดกลัวฝนก็อายมาทีครั้งผมต้องฝึกสันติบา ร, รมีไม่กลัวแดดกลัวฝนหลวงพ่อชาเขายิ้มแล้วก็ะปุกสันส้นๆฝึกต่อไปเถิดคุณไม่ช้าก็จะได้เป็นควายกับเขาอีกตัวหนึ่งในขณะที่เราปฏิบัติกรรมาฐานมันก็ซ่อมรลังคาได้นะวาดกุฏิได้ จเจริญสติตลอดเวลามันก็หลักการเดียวกันทั่วโลกไม่ใช่ว่าจะมีแต่ชฉพของประเทศนั้นประเทศนี้เซนบุดิซึมพุทธศาสนานิกายเซนใช้สมาธิคือชานในทุกเรื่องชานก็คือเซนจัดดอกไม้แบบเซนชงชาทีเซอร์เรนี่แบบเซนตีกรองแบบเซนมีสติตลอดเวลา คนญี่ปุ่นจึงเจริญก้าวหน้ามากเพราะมีสติมีสมาธิแม้แต่ซูโม่ก็ต้องมีสมาธิไอซูโม่มันสู้กันเนี่ยมันคอยจะแพ้เรื่อยตัวใหญ่ตัวหนึ่งไปหาอาจารย์เซนบอกผมทําไมแพ้อยู่เรื่อยพอถึงนาทีคับขันวิ่งหนีเรื่อยเลยโดนชนก็เล่นไปเลยตั้งแต่ตัวใหญ่กว่าใจประสิลเพราะคอยจะคิดว่าแพ้แน่หลวงพ่อก็ถามว่า ชื่อเวลาชกมวยไอ้ตั้งมวยปั้งซูโม่เลยฉายยาว่าอะไรได้ฉายยาว่าสึนามิเจ้คลื่นยักษ์หลวงพ่อบอกไมาอยากมานี่ น, นั่งกรรมฐ า, านหันนั่งขันหน้าเขาา้าฝาจินตนาการตัวเองเป็นคลื่นยักษ์ซัดฝาให้พังเลยไอ้สึนามิก็หลับตาภาวนาซัดฝาโรมโรมโ ร, ม, โ ร, ม, โ ร, ม, โรมในอุคคานิมิตนติดตาเห็นภาพทํานิมิตขึ้นมาพอสักเที่ยงคลื่นก็มาเข้าะประตูหลวงพอ่อ หลวงพ่อตื่นตื่นตื่นถามทำไหมหลวงพ่อถามฝาพังหมดแล้วครับทั้งวัดเลยครับผมซัดเลียบไปแล้วมันไม่ได้ทําจริงแต่แเห็นพังหมดหลวงพ่อบอกเอาอย่างนี้นะนั่งสมาธิ ก, กรรมฐานทําชาญอย่างนี้ก่อนขึ้นเวทีก็จินตนาการตัวเองเป็นคร้นยักษ์ซักคนให้กระเด็นให้ต๊กเวทีไปเลยและแกก็ได้เป็นแชมป์แม้แต่สูโม่ ก, ก็ไม่ทิ้งกรรมฐาน ประเด็นก็คือว่าเมื่อใดก็ตามที่เราไม่ทิ้งธรรมะจากการปฏริ บ, รบรัติงานเมื่อนักข้าเราไปทำงานด้านบริหารการปกครองโดยเอาธรรมะเข้าไปด้วยมันเป็นธรรมมาพิบาลโดยตโนมัสประเทศไทยที่อยู่รอดปลอดภัยมาพระมหากษัตริย์ในอดีตทรงปกครองโดยทศพินพระชธรรมนั่นคือธรรมมาพิบาล แต่ทรมาพิบานมันไม่ได้ใช้เฉพาะปกครองประเทศบริหารมหาจุฬาก็ทรมาพิบาลภาษาฝรั่งเรียกว่า governance ไม่ใช่ g o v e r n e n t เพราะฉะนั้นเป็นบริหารเป็นอาจารย์ใหญ่ครูใหญ่ก็ทรมาพิบาลท้านั้นเลยเป็นแต่เพียงว่าเราต้องเข้าใจว่าทรมาพิบาลคืออะไรแล้วจะเอาธรรมะเนี่ยไปใช้ในทรมาพิบาลได้อย่างไร นี่คือสิ่งที่เป็นตรยามของมอรรงบุรณาการธรรมะที่เราได้เรียนมาเท่ากับศาสต ร, ร์สมัยใหม่คือกูลกบาลนิสที่พูดมานั้นกำลังพูดว่าไม่มีธรรมะบ้านเมืองมันอยู่ไม่ได้และเป็นเรื่องเก่ามีมาแต่โบราณแต่เนื่องจากว่าคนสมัยใหม่เนี่ยไปบริหารปกครองกันโดยขาดธรรมะมากขึ้น ถ่ายโอนพระราชอำนาจโดยรัฐธรรมนูญแต่ไม่ได้ถ่ายโอนทศพิษเราจะทำมันมันก็มีปัญหาฉะนั้นวันนี้เราจะมาพูดกันว่าเราจะบรูรณาการธรรมะเข้ากับกูดการ์เบนส์ทำมาพิบาตได้อย่างไรทำมาพิบาติคืออะไรบทเรียนสำหรับพวกเราชาวมหาจุฬาทุกรูปก็ถือว่าถ้าจะพูดในเรื่องอย่างนี้ให้ตรงกับข้อที่สองของมหาจุฬาท่านจะต้องมีอะไรบ้างหนึ่ง ต้องรู้ธรรมะอย่างดีรู้พระพุทธศ า, ศาสนาอย่างลึกซึ้งข้อสองรู้ศาสสมัยใหม่โดยเฉพาะวันนี้เรื่องธรรมมาพิบาลอย่างลึกซึ้งมิฉะนั้นมันก็พูดได้งกงูปรปราๆเฉียนไปเฉียดมาเหมือนจะตรงแต่มันไม่ตรงเหมือนจะใช่แต่มันไม่ใช่สิ่งที่พวกเราจะได้ทุ่มเทมาแล้วก็คือเรียนพุทธศาสนา แต่สิ่งที่ท่านจะต้องทำความเข้าใจก็คือศาสตร์สมัยใหม่โดยเฉพาะกู g o ก e r n a n c ์ถ้าท่านวันนี้ถือว่าท่านเป็นพุทธศาสตร์บัณฑิตนล้ท่านรู้ธรรมะดีแล้วจะไม่เสียเวลาอธิบายว่าพุทธธรรมเพื่อกูต์การแบงค์จะมีกี่ข้อพูดหัวข้อกะพอแต่สิ่งที่เป็นปัญหาของพวกเราก็คือกู d g ก v e r n a ค c e คืออะไรยากที่จะหาคนอธิบายให้ตรงกับสิ่งที่เขา มุ่งหวังพูดไป็นปละทานสองทานแม้กระทั่งในการประชุมระดับโลกเมื่อไม่เข้าใจเรื่องกูต์กับบาลานซ์นแล้วแต่ยุตธรรมะมันก็ไม่ตรงเดาไปอย่างนั้นอย่างนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่จะพูดต่อไปนี้คือการสาธิตว่าถ้าท่านจะประยุกต์กุศาเข้ากับศาสต ร, ร์สมัยใหม่ท่านต้องรู้ลึกซึ้งในเรื่องศาสตร์สมัยใหม่ ท่านถึงิงจะประยุกต์ได้ถ้าท่านมันเหมือนกับท่านจะใช้ยาก็คือธรรมะเนี่ยให้ถูกโรคท่านต้องรู้ว่าเขาปวดหัวแล้วปวดท้องเขาปวดหัวแต่ท่านไปให้ยาแก้ปวดท้องมันไม่หายหรอกท่านปวดท้องไปใช้ยาแก้ปวดหัวหัวโรคก็ไม่หายในประเทศจีนแผ่นดินใหญ่สมัยโบราณเป็นพันปีมาแล้วมีคำพูดบอกว่า ศาสนาสามลัทธิสามศาสนาเตาขงจือ้อและพุทธศาสนาอยู่รวมกับชีวิตของคนจีนขงจือ้อเปรียบเหมือนร้านขายของฉับเ่อเอยากได้ของใชไง้ไปขงจื้อไปร้านเซเอีเเตาเหมือนร้านขายยา มีความทุกข์ไปหาเตาแต่พุทธศาสนาเข้าไปทีหลังเตาเหมือนร้านขายยาเข้าไปก็หยิบมาเลยครับคลินิกร้านขายยาหยิบง่ายอยากจะใช้แตงสีฟันอยากจะใช้เสื้อผ้า อ, อาหารร้านขายของชบผงจือ แล้วยูยูพุทธสนาเข้ามาได้มาเป็นอะไรมาเป็นห้างสรรพสินค้ามีทั้งร้านขายยาสำหรับคนจีนมีทั้งเซเนอลเวนมีทั้งเครื่องไฟฟ้าเะยเต็มไปหมดจุดดีของพุทธาสนาที่เอาชนะเตาและผมเชื้อก็คือมีทุกอย่างให้เลือกสรร เสียยาเดียวเข้าไปแล้วหลงหาไม่เจอยามันอยู่ตรงไหนอะยิ่งสมัยนี้เนี่ยระบบการจัดวางนี่เขาวางเป็นร็อกๆๆหาอยู่ที่ไปอยู่โู่นไม่มีลายแทงไม่มีอะไรให้ดีพระพุทธศาสนาสาหรับคนไทยก็อย่างนั้นทุกข์ขึ้นมานี่จะไปเอาตรงไหนแล้วเป็นที่เหมือนกับร้านขายยาของเตา อยากจะทํางานสมให้ดีนี่จะทํำยังไงไปหาหลวงพี่ที่ไหนหนักเข้านักเข้าอยากจะประสบความสําเร็จในชีวิตใช้ธรรมะใช้วิธีปฏิบัติอะไรถ้าไม่เจอท่านมันก็เลยมีคนมาตั้งแผงลอยอยู่หน้าห้างแผงลอยขายอยู่หน้าห้างสัมปทานคนเลยไม่เข้าเลยไปซื้อของแผงลอยแล้วติดขี้ห่อห้างซะด้วยติดที่ห่อว่าจากักรุคามรมามเทศ ไม่มีในห้างนะท่านมาอาศัยวางแผงข้างหน้าดึงลูกค้าไปหมดเลยตอนหลังปรากฏว่าต้องไปซื้อของในแผงนะมาขายในห้างวัดทั้งหลายก็ตุกเซ ก, กันใหญ่ทนะ่านเราอย่าไปโทษชาวบ้านต้องโทษพระโทษครูสอนศาสนาว่าไม่ได้ทำลายแทงให้คนเข้าไปในห้างและไปหยิบให้มันถูก ตรงไหนเป็นยาตรงไหนเป็นอาหารตรงไหนเป็นเทคโนโลยีเป็นโทรศัพท์เป็นอะไรต่างๆถ้าจะมีอยู่ในนั้นคนเวลามันมีน้อยก็มาหย็นช่วยเอาเรื่องไม่เป็นเรื่องไปวันนี้เรามาทดลองกันดูถ้าจะไปแก้ปัญหาเรื่องธรรมะพิบัติลองเข้าไปช้อปปิ้งในสักราชสับพินิษฐานคือพุทธศาสนาลองคว้าพุทธศาสน า, สนาหรือธรรมะ หรือทาสอนตรงไหนน่ยที่เอาไปใช้ได้ในเรื่องธรรมะพิบัติและนี่คือหนังตัวอย่างท่านไปคิดต่อเพราะเวลาเรามีจํากัดพูดกันได้เป็นวันแล้วท่านสามารถจะไปไประชุมกลุ่มย่อยต่อไปด้วยผมปาดคณถานนําแล้วท่านสามารถไปคิดในเรื่องอื่นต่อไปเรื่องบริหารเรื่องการจัด ก, การแมเนจเมนต์เยอะๆหมดเอาละครับนั่นคืออารามพรนะบท นี่แค่อะไรมาบน่นนะนี้ยังไม่ได้เข้าเรื่องเลยนะทำ ม, มาพิบาลทีนี้จะเข้าเรื่องแหละคำว่าทร ม, มาพิบาลเนี่ยที่เราใช้เนี่ยภาษาติดกิตติ o ุณ governance ทำจากัดความที่ใช้โดยราชาการเมืองไทยเรียกว่าระบบบริหารกิจาการที่ดีผู้ต้องเป็นวิชาการหน่อยเอามาจากไหน เอามาจากระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีพศ .2542 อันนี้คือเทคคือตาราธรรมมาพิบาลในประเทศไทยใครพูดธรรมาพิบาลโดยไม่อ่านระเบียบสำนักนายกมนตรีหรือตรงนี้เนี่ยถือว่าหลักตาพูดไม่ตรงประเด็น เหมือนกับเรื่องอที่เราเอามารณรงค์กันเรื่องาสอนี่าสอที่สะอาดสะดวกสะดวกสะอาดอะไรต่างๆเนี่ยนะมันมีระเบียบสำนักนายกรีแล้วรณรงค์กันทั่วประเทศต้นฉบับท่านต้องไปดูนี่ระเบียบนี่ท่านจะพูดเรื่อง Good g o v e r n a n c ในประเทศไทยนะโดยไม่ดูระเบียบสำนักนายกรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีเนี่ยไม่ได้ ถามว่าแล้วตรงไหนมันเป็นกุ๊กจำแนกนี่ไงระบบบริหารกิจาการที่ดีใช้ทั้งส่วนราชการและเอกชนทั้งทุกเซกเตอร์แม้กระทั่งวัดของเราโรงเรียนของเราใช้ได้หมดและเป็นระเบียบที่ออกมาท่านจำไว้นะ 2,542 ทำไมเพิ่งมาออก 2,542 ท่านจะเข้าใจเรื่องเรื่องนี้ได้ดี ต้องคิดขยายไประดับโลกว่าในโลกนี้เนี่ยคำว่ากู o d กั v e ว n เนนซ์เริ่มใช้เป็นครั้งแรกเมื่อไหร่แล้วทำไมประเทศไทยจึงมาใช้ในปี2 4 2และเราจะเข้าใจกู o d กับแวนเนนซ์ทำมาธิบัติใช้หนังไปทั่วโลกเลยนี่คือวิธีคิดธนาคารโลกเป็นผู้ใช้เป็นครั้งแรกในโลก World Bank เนี่ยนะคำว่ากู o d กั v e ว n เนนซ์ คำว่าูตกับเบเนสพบว่ามีการใช้ครัลลงงงาา้งแรกรายงานของธนาคารโลกประปี2032 18ปีมาแล้วในรายงานของธนาคารโลกเรื่องรัพซาราลาแอฟริกาอันนี้เป็นวิชาการแล้วพูดแค่นี้โอ้น่าเชื่อถือเหมือนกันนะรู้จริงฮะแต่เข้าใจเรื่องที่พูดหรือเปล่าท่องมาอย่าถามมาก ไส่เรื่อง อ, อืนแล้วนับโมตสาไปแล้วแค่นี้ไม่พอท่านต้องรู้ว่าแล้ว w ว r l d Bank เขาใช้ในความหมายว่าอะไรไปต่อนะครับปรากฏว่าวิลด์แบงไม่ได้นำมาพัฒนาเท่าที่ควรนะครับ2012ฝ่ายที่เอามาใช้กูตกำนันมาใช้ก็คือ UNDP คำขององค์การพัฒนาแห่งสักลยชาติ UNDP เอามาพัฒนาในปี2540แสดงว่าเพิ่งดัง 2,540 เขามากำหนดให้ใช้กุฏกวนในทั่วโลกสังเกตนะครับในสมัยนั้นยังไม่เรียกว่าธรรม毗ปานเลยซ้ในภาษาไทยนะเรียกว่าธรรมรัฐบ้างกลไกประชารัฐที่ดีบ้างบริหารที่ดีบ้างยังไม่มีการเรียกธรรมิบาท กลไะชารัฐที่ดีกุทก็มันนี่ก็คือธรรมาภิบาตเนี่ยนะมันจะต้องมีสามเซกเตอร์รวมกันหนึ่งทท เ, เซกเตอร์ภาคธุรกิจเอกชนภาคประชาสังคมซิสซิสซตี้แล้วก็ภาครัฐพัฟลิกเซกเตอร์รวมกันอย่างดีเลยนะครับทั้งภาคเอกชนภาคธุรกิจทั้งประชาชนทั้งส่วนราชการนักการเมือง พอบริหารด้วยระบบธรรมาพิบาลจะเกินสันติสุขในประเทศนี่คือสิ่งที่ UNDP เริ่มเอามาขยายขยายอย่างไรครับผมจะไปอย่างเร็วครับเพราะผมมีเรื่องพูดเยอะเลยธรรมาพิบาลต้องสามด้านด้านที่หนึ่งครับธรรมาพิบาลด้านเศรษฐกิจ economic governance ประเทศเราเศรษฐกิจหัวที่มหมอก 2,140 ครับต้องยำกุ้งเพราะมีปัญหาเป็นแบกการแบง์แนนซ์ด้านเศรษฐกิจเป็นอย่างไรเดี๋ยวอธิบายให้ฟังประเทศที่สองครับการเมืองลุล่มๆดอนด์ครับยึดอำนาจปฏิวัติรัฐประหารและธรรมนูญใช้ไม่ได้ต่อเนื่องการเมืองคร er ับ political governance ธรรมพิบาลด้านการเมืองบกพร่องข้อที่สามครับ ระบบราชาการเนี่ย น, นะครับทุจริตคอร์รัปชันอันนี้ไม่ต้องสงสัยครับในเอเชียนี่เราก็อยู่อันดับต้นๆเลยพัฒนาทีไรก็มีแต่ปัญหาหมายความว่าไงครับ เ, เดี๋ยวก็มาพูดกันนี่สนามบินสุณภูมิซ่อมตรงนั้นตรงนี้โฮฟเวลเป็นโฮฟเลดตั้งเป็นแถวอะไรอย่างนี้เนี่ยเราไม่ต้องพูดมากรู้กันดี ด้านราชการสามด้านนี้หมายถึงอะไรครับํำนิยามเลยนะ Good Governance หมายถึง process Good Governance ในสามด้านนี้หมายถึง process ของการตัดสินใจที่ดี Good process of decision making เป็นกระบวนการตัดสินใจหรือใช้อำนาจสั่งการที่ดีนะ ถึงจะเป็นกู้จ้า น, นี้ยคือมีธรรมะประกอบนี่ก็เป็นองค์ประกอบหนึ่งของธรรมาพิบัติองค์ประกอบที่สองก็คือตัดสินใจแล้วสั่งการแล้วต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดมีธรรมะกำกับทุกขั้นตอนโปร่งใสอ่านี่คือคือวิชาการนี้อธิบายให้ปการตัดสินใจ เป็นธรรมมาพิบาลหรือไม่อยู่ที่ว่าเวลาท่านสมมติในวัดเนี่ยนะเราจะไม่ให้ชาวบ้านเนี่ยขับรถผ่านวัดละมันเคยมีทางเดินรถมอเตอร์ไซค์ข้ามและทางเดินชาวบ้านอยู่ๆมาเจ้าอาวาสปิดเลยครับปิดชาวบ้านชุมนุมกันประท้วงคำถามก็คือว่าการตัดสินใจของเจ้าอาวาสนั้น เป็นธรรมมาพิบาลหรือไม่ก็คือได้ปรึกษาหาหรือกรรมการวัดไหมเรียกชาวบ้านมาแจ้งหรือเปล่าแล้วมีทางอ้อมให้เขาไหมนี่เรื่องหนึ่งปรากฏว่ามีทางอ้อมด้วยเจ้าวาดบอกมีทางอ้อมอย่างนี้ให้เปิดปรึกษาแล้วแต่ปรากฏว่าวัยยาวจักรกับกรรมการปิดทางอ้อมอีกเพราะมันโนกหูมันไปผ่านบ้านเขา การปฏิบัติตามคําสัง่งไม่เคร่งขัดไม่เป็นธรรมทุกทั้นทุกตอนเกิดเรื่องคือไม่มีธรรมมาพิบัติอยากจะให้บรรจุข้อสนาเป็นศาสนาประจําชาติในราชธรรมดุลมันต้องเริ่ม้ากตอนไหนเป็นธรรมธรรมมาพิบาตตั้งแต่ตอนไหนตั้งแต่องค์ประปอกอบของคนที่ร่างและธรรมดูญมีใครบ้างมาจากไหน มีมีพวกเรามีส่วนที่จะเอาเขาไปนั่งตรงนั้นหรือเปล่าในการตัดสินใจการตัดสินใจที่จะตั้งคนร่างธรรมนูญเนี่ยเรามีสิทธิหรือเปล่าเห็นไหมเดี๋ยวเราจะมาเช็คกันแต่ละข้อนะเมื่อท่านไม่มีสิทธิเอาคนไปอยู่ตรงนั้นก็นไม่ได้กลรรมาการก็ไม่ใช่คนที่เรามีสิทธิไม่ได้เลือกเข้าไปเลยท่าน สักคนเดียวถ้าไม่มีสิทธิ์เลยขั้นตอนในการตัดสินใจที่เป็น good governance มันหายไปตรงไหนท่านจะต้องมาเข้าใจว่าองค์ประกอบของธรรมิบานมันคือไรบ้าง น, นี่ผมกำลังแค่แค่ให้คำนิยามนะท่านนะยังไม่ได้เข้าเรื่อง good, good process ก็คือว่าสิ่งที่จะเป็นธรรมิบาล มันไปนอยู่เรื่องไหนครับท่านอยู่ที่อำนาจในการตัดสินใจนะั้นอยู่ที่ใครคนนั้นเนะี่ยคือคนที่มีอำนาจแล้วการใช้อำนาจนั้นโดยกลุ่มบุคคลหรือคนคนเดียวแล้วถึงแม้จะเป็นคนเดียวก็ตามเนะี่ยโดยอำนาจคดี ก, การก็ตามแต่วิธีตัดสินใจนี่เขาฟังหลายคนไหมปรึกษาหลายฝ่ายไหมหรือเขาตัดสินใจเพียงคนเดียว ในวัดนี่ใครมีอำนาจสูงสุดเจ้าวาดโดยกฎหมายแล้วจเจ้าวาดนี่ปรึกษาผู้ช่วยไหมถ้าปรึกษาผู้ช่วยฟันกรรมการวัดมันก็เป็นกูตกมบเน้นเป็นธรรมมาพิบางได้ทนะั่นมันไม่ได้อยู่ที่ว่าอํานาจอยู่ที่ใครแต่มันอยู่ที่ว่าท่านจะใช้อํานาจอย่างไรในการบริหารสั่งการตัดสินใจวันหนึ่งท่านเป็นประธานกรรมการนี่สิ มีเงินให้ท่านบริหารเป็นแสนใช้เงินโดยเซ็นคนเดียวหรือมีกรรมการมาช่วยตัดสินใจว่าควรหรือไม่ควรใช้และควรเบิกเท่าไหร่ถ้าเมื่อใดก็ตามที่ท่านตัดสินใจอยู่คนเดียวและใช้เงินตามลำพังมันก็ไม่ใช่ธรรมาพิบาลแล้วเห็นไหมมันก็มีเรื่องแล้วอำนาจในการตัดสินใจอยู่ที่ใดนั่นคือ process of decision making ต้องมีธรรมะอยู่ตรงนั้นอำนาจในการปฏิบัติตามคำสั่งอยู่ที่ใดต้องเอาธรรมะไปตรงนั้นมีสอที่นะท่านในวัดจเจ้าอาวาสมีอำนาจในการตัดสินใ จ, จเจ้าอาวาสมีธรรมะมหรือฟังคนอื่นที่มีธรรมะไม่มีที่ปรึกษาไหยถ้าฟังถ้ามีเป็นธรรมะพิบาล คนที่เป็นลูกวัดเป็นกรรมการปฏิบัติตามคำสั่งเจ้าว่ามีธรรมะไหมไม่ใช่ทุจริตเบียดบางงานผลประโยชน์ของวัดอะไรอะไรสรพัดพวกยีบงวกยิบกันมันก็ไม่มีธรร ม, มาพิบาสไล่ไปตั้งแต่ระดับบ้านระดับตำบลประเทศท่านระดับโลกทรมาพิบาตได้ขนั้นเลยเพราะฉะนั้นท่านจะตั้งองค์กรน ใ, นใดๆก็ตาม อำ น, นาจในการตัดสินใจอยู่ที่ใครคสั่งอยู่ที่ใครอำ น, นาจในการตัดสินใจในมหาจุฬาอำ น, นาจสูงสุดอยู่ที่สภามหาวิหายสภาต้องตัดสินใจอย่างเป็นธรรมจึงจะเป็นธรรมาภิบาลอาธิการบดีมีหน้าที่อ m p l ิ m e n t ก็คือปฏิบัติตามหรือตั้งนโยบายเองเสนอสภาด้วยถ้าปฏิบัติตามอย่างไม่ถูกต้องไม่มีธรรมะมันก็ไม่ใช่ธรรมาภิบาลอีก มันจึงมีสอง้นขั้น น, นโยบายตัดสินใจกับขั้นปฏิบัติา ก, การเรามาดูว่าในทุกเซกเตอร์ของสังคมไทยมันเกิดอะไรขึ้นมันจึงไม่มีธรรมมาพิบาลและทำให้ประเทศไทยมีปัญหาประเทศไทยนั้นนะครับผมดูคำสตกหน่อเรามีคำว่าธรรมมาพิบาลมานานแล้วครับดูจากเวลาแสดง พระพพรระะสังฆราชเนี่ยนะครับสมเดระสังฆราชแสดงพระธรรมเทศนาถวายพระเจ้าอยู่หัวในวันเฉลิพมพระชนมพรรษาตั้งแต่เรามีบันทึกเป็นเล่มๆมาทําในการที่สี่ที่ห้าเนี่ยนะครับท่านจะเทศเรื่องลัทธาพิปาลโนบายไทยเรียนประโยคน์้าก็จะต้องแต่งเรื่องนี้แหละครับมงคลวิเศษคาถาเนี่แหละครับแล้วในมงคลวิเศษคาถาเนี่ยตั้งแต่สมัยตุเตปมหาตนะเจ้าแล้วท่านก็จะเทศเรื่องลัทธาพิพาลโนบายแปลว่า วิธีการในการบริหารการปกครองประเทศคาว่าอภิบาลตัวนี้เนี่ยไม่ได้แปลว่าบำรุงรักษาแปลว่าปกครองเพราะฉะนั้นถ้าปกครองลักธาโดยโทศพิธราชธรรมเราก็เรียกว่าธรรมมาภิบาลก็ได้อุบายในการปกครองก็คือทศพิธราชธรรมรัทาิพิปานหรือรัทาิพิปาลณ ะ, ะเนี่ยมีธรรมะเราก็เรียกว่าธรรมมาภิบาล น, นี่เป็นของเก่า มีคู่กับพระพุทธศาสนามานานแล้วการบริหารและการปกครองโดยธรรมนั่นแหละคือธรรมาพิบาลถ้าปกครองประเทศเรียกรัดฐาพิบาลถ้าการปกครองประเทศและหน่วยงานองค์กรเรียกว่าคณะพิบาลคณะใดก็ตามเป็นไปโดยธรรมเราเรียกว่าธรรมาพิบาลเพราะฉะนั้นคําว่าธรรมาพิบาลก็เป็นคําเก่าท่านประถมบรมราชโองการราชการที่เก้าเราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สูแขแห่งมหาชนชาสยามครองแผ่นดินโดยธรรมก็คืออภิบาลโดยธรรมก็คือธรรมาพิบาล น, นี่แหละครับคือทำไมจึงได้ใช้หัวข้อกูตกำเ น, นินธรรมาพิบาลเนี่ยมาเป็นหัวข้อของการสัมมนาให ญ, ญ่ชาวพุทธโลกเพราะพระเจ้าอยู่ ห, หัวของเราปกครองโดยธรรมจะได้ศึกษาพระราชงงยธิกิจเอาละครับกนนูกำเนเป็นคาของฝ ร, รั่ง ท ร, ร ม, มาพิบานเป็นคำเต่าของเราถ้าเรามีธรรมะไม่ต้องเอาของประหลมาแต่มีบางช่วงครับเราลืมธรรมะในการบริหารกิจการประเทศราชตารอะไรต่างๆผลก็คืออะไรครับเกิดภาวะวิกฤตเศรษฐกิจไทยในปี240ถึงขนาดเราต้องลดค่างเงินบาทถึงขนาดเราจะต้องเปนหนี้ IMF IMF ก็มาสั่งรัฐบาลไทย ถ้าจะกู้เงินนะเรากลวงนี่ศูนย์ท่านต้องปฏิวัติระบบการบริหารกจัดการของประเทศทุกเซกเตอร์ด้วยระบบกูกบนการเอนซ์ธรรมาพิบาลนี่แหละครับท่านเราถึงไม่เคยพูดกันว่าธรรมาพิบาลมันเข้ามาในประเทศไทยได้อย่างไรเพราะมันมีอดีตอันขมขื่นมันไม่ได้อยู่มันไม่ได้เข้ามานะครับธรรมมาพิบาลมันมากับ i อ f เพราะ i อ f มเอฟขอให้เงินเรากลัวเราถลุงเงินหมดต้องยกเครื่องการบริหารธนาคารการบริหารราชการออกเป็นระเบียบสำนักนายุตธีสองรอสีสิบสองเราก็ออกเราก็ทำเราก็พูดแต่พอพ้นหนี้ i m เอมเอฟเลิกครับ ประเด็นมันไม่ได้อยู่ที่ว่าตอนนี้เราไม่เป็นหนี้แล้วเราจะเริ่มหรือไม่เริ่มประเด็นมันก็คือว่ามันดีหรือเปล่าล่ะธรรมาพิบาลดีทําให้ประเทศเราพัฒนาอย่างยั่งยืนนี่ถ้าหากไม่มีธรรมาพิบาลนะใครจะรับประกันครับเศรษฐกิจไม่เป็นฟองสบู่อีกเราไม่เป็นหนี้เป็นสินท่วงหัวกันอีกเราเอาเอรื่องเศรษฐกิจพอเพียงของพระเจ้าอยู่หัวมาพูดเนี่ยมันคืออะไรครับคือระบบเศรษฐกิจที่มีธรรมาพิบาลนั่นเองต้องไปด้วยกัน ก็คือระบบเศรษฐกิจที่มีธรรมะปลาจากธรรมะเศรษฐกิจนั้นก็ไม่พอเพียงเศรษฐกิจนั้นก็ไม่ใช่เศรษฐกิจพอเพียงและไม่ใช่ธรรมาพิบัตาถ้าท่านจะเข้าใจเรื่องนี้ลองมาดูว่าวิกฤตเศรษฐกิจ240มันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรมันขาดธรรมาพิบาลตรงไหนฉายเป็นนั้ำตัวอย่างเท่านั้นรายละเอียดท่านไปดูเองเพื่อให้ท่านเข้าใจว่า เราล่มสลายในทางเศรษฐกิจเลยจนทุกวันนี้ยังเป็นหนี้เป็นสินเท่าเนี้ยเพราะอะไรเพราะเราขาดทำรรมาพิบาลธนาคารโลกก็ดีไอเอมเอก็ดีวิเคราะห์ไว้ครับและผมก็อ่านบทวิเคราะห์ของฝรั่งซึ่งมัอยู่ในประเทศลาวนะครับผมได้ยินคําว่ำพูดกับวันนั้นโดยคนอเมริกเยอรมันครับอยู่ประเทศลาวเขียนวิเคราะห์ตอนปีตรงนี้สี่สิบผมอ่านในม ก, กรสต์เ้าบอกว่าอย่างนี้ เศรษฐกิจวิกฤตในประเทศไทยเนี่ยมันเกิดขึ้นโดยที่ทำไมไต้หวันไม่เป็นไต้หวันกับไทยนี่พัฒนามาคล้ายๆกันเป็นเสือเศรษฐกิจเหมือนกันเศรษฐกิจของไทยโตกว่าไต้หวันโตกว่าจีนิีกสิบปีนี่เรารวยที่สุดในโลกเป็นมิราเคลออฟเอเชียเป็นมหาสจรกรของเอเชียธนาคารโลกบอกต้องของอย่างประเทศไทย ผมเทศในสมัยนั้นผมก็ยกตัวอย่างประเทศไทยและผมก็ตามจีนจีนที่อยู่อันดับสองในเรื่องการเติบโตาทางเศรษฐกิจตั้งแต่ปี30ถึง40เนี่ยจีนอันดับสองไทยอันดับหนึ่งครับเติบโตเศรษฐกิจอันดับหนึ่งของโลกสิบปีเนี่ยเราเป็นแชมป์ตลอดไปที่ไหนคนก็ชมประเทศไทยเป็นความสําเร็จที่ธนาชาตโลกภาคภูมิใจเป็นไทเกอร์เศรษฐกิจในเอเชีย e เป็นเสือเศรษฐกิจเลยเราเนี่ยเสร็จแล้วพอมันคว่มลงเนี่ยมันก็เสือตัวอื่นอยู่ได้ครับยกเว้นเสือเกาหลีกับเสือไทยบาดเจ็บไต้หวันอยู่ได้สิงคโปร์อยู่ได้นะครับฮ่องกงได้เขาก็วิเคราะห์นะหความปหลังในเขาวิเคราะห์เลยว่าทำไมประเทศไทยหัวทิ่งเขาตอบเองนะเพราะ หนึ่งกู้หนี้ยืมสินมากเกินไปปล่อยให้คนไทยนิสัยเสียไปกู้หนี้ยืมสินใจผมอธิบายจากวิกฤวิเคราะห์เทขาที่ไห น, นข้อที่สองครับไม่มีระบบการควบคุมการใช้จ่ายเงินไม่มีคู้เงินทำเพาราะกู้เงินมันเกิดขึ้นทําไมไต้หวันไม่เป็นเขาวิเคราะห์ไต้หวันดีครับคือไต้หวันไม่ใช่ประเทศไม่ได้เป็นสมาชิกสหประชาชาติ ไต้หวันมีความเสีงียบเจียมตัวถ้าวันหนึ่งเนี่ยนะเกิดยากจนโดยบริหารผิดพลาดมันจะไปกู้ยืมใครได้เพราะจีนรับไปหมดแล้วจีนแผ่นดินใหญ่รับไหมบไหมดแล้วเมื่อเขาจะต้องพึ่งตัวเองเขาก็ต้องสะสมเงินฝากเงินออมกู้แต่น้อยแต่ประเทศไทยนี่ถือว่าเครดิต ด, ดีครับเด็กเสียนิสัยใครก็ให้กู้ใครก็ให้ยืมยืมมาใหญ่เลยหน้าตักเต็มไปหมดอ้าวยืมมาจากทันนี่นะครับ มือนเล่นแช์แม่ชม้อยนะครับเอามาทางนี้ไปใช้นี่ทะนูนใช้ทะนุนจนกระทั่งเจ้านี่แบบมันเล่นแช่ต่อไปไม่ไหวแล้วหยุดให้กู้ครับมันจะล่มเลยครับเหมือนแช่ก็หยุดท่งอะ่ะเอาไปใช้หนี้เก่าไม่ได้หนี้เก่าก็ทวงไอ้นี่ไอ้คนใหม่ก็ไม่ให้กู้อยู่ด้วยเงินกู้ครับไม่ได้พึ่งตัวเอยงอย่างไต้หวันเศ ร, รษฐกิจพอเพียงของพระเจ้าอยู่หัวสอนว่าไงครับให้คนไทย ยืนอยู่บนขาตัวเองนี่แหละที่มาตรงนี้แหละครับอย่าไปกู้นี่ยืสมสมินเขามากเดี๋ยวผมจะพูดเศรษฐกิจพอเพียงด้วยเพราะฉะนั้นเขาวิเคราะห์ว่าไงครับธนาคารโลกวิเคราะห์ว่าวิกฤตเศรษฐกิจในประเทศไทยไม่ได้เกิดจากภาวะการชะลอตัวหรือวิกฤตเศรษฐกิจของโลกดังที่เคยมาในอดีตตอนนั้นเศรษฐกิจโลกยังดีครับสหรัฐ ก, ก็จเจริญมีดุลก็จเจริญมันเราไม่ได้พังเพราะข้างนอกครับ พลังพังเพราะข้างในเราบริหารไม่ดีเพราะฉะนั้นเขาก็เลยสรุปครับเป็นปัญหาที่มาจากกลไกบริหารจัด ก, การกิจาการภายในที่มันแย่ไม่มี Good Governance เรียกว่าสะดุดขาตัวเองครับเป็นโรคที่สะดุดขาตัวเองไม่มีใครทําเลยไม่มีธรรมะบริหารกันมั่วมันถึงได้เกิดโรคต้มงยำกุ้ง เกาหลีก็ไปไทยก็ไปอินโดนีเซียตามกไปทั่วโลกมาพังเพราะเศรษฐกิจไทยเป็นเหตุเราเรียกว่าเขาเรียกว่าโรคต้ม อ, อย่างกุ้งจากเป็นสิ่งมหัศจรรย์ในเอเชียเนี่ยพังเลยครับทีนี้เราเรามาดูว่าภาคธุรกิจขาดรำมาอย่างไรครับนี่เขาสรุปให้ดูกู้เงินจากต่างประเทศอย่างไรวินยัยกู้ระยะสั้นเอามาทําธุ ร, รกิจระยะยาวสมมติธุ ร, รกิจมันควรจะหกเดือนถึงจะได้กำไรใช่ไหมครับ ไปกู้สามเดือนมาเพอาสามเดือนเขาก็เอาเงินคืนเลครับยังไม่ได้กําไรยังไม่ได้ดอกได้ผลเลยทําก็อยู่อย่างนี้หมุนก็อยู่อย่างนี้นะครับเงินมันก็เข้าออกเข้าออกพอพอถึงเวลาจริงไอธุรกิจระยะ ย, ยาวมันยังไม่ได้ผลเงินเขาเอาคืนแล้วมันก็แย่เลยครับนี่คือไม่มีอะไรแบบวินัยในการกู้ยืมสองท่านผมได้ยินนะครับเศ ร, รษฐกิจฟองสบู่ปั่นที่ดินครับที่ดินราคาแค่นี้ครับซื้อต่อกันไปต่อกันมาราคาจาก หนึ่งพันเป็นหนึ่งหมื่นแล้วเอาหนึ่งหมื่นเนี่ยไปกู้ธนาคารธนาคารก็รู้กันครับปล่อยเงินกู้โดยหลักทรัพย์ราคาต้นทุนหนึ่งพันแต่จ่ายหนึ่งหมื่นถึงเวลาจะเอาเงินคืนครับยึดที่ดินมาเป็น NPL ครับเพราะราคามันหนึ่งพันแต่เอาเงินไปหนึ่งหมื่น 1, ทำอะไรได้ครับมันไม่มีผลตอบแทนใดๆทั้งสิ้นนี่ก็คือสิ่งที่เศรษฐกิจ ฟองสบู่ซึ่งเราปั่นเหมือนก็นเล่นฟองให้มันพองๆององอ ง, องมันเกินความจริงท่านราคาหุ้นสวนหนึ่งร้อยบาทปั่นไปหนึ่งันบาทพอถึงจริงๆกำไรปันผลมันนิดเดียวทุกอย่างมันจะล่มสลายนี่คือภาคธุรกิจครับภาคราชการมีหน้าที่กำกับดูแลเรื่องการเงินธนาคารชาติครต่อใคเรื่องจรงราคาค่างเงินบาทละไรตชักช้าและผิดพลาดและไม่เข้มงวดครับ ใจเขาประมาณคุ้มเคยมีมีกับโปรเจกต์เยอะแยะหมดใช้เงินมหาศาลแต่ได้ผลตอบแทนน้อยเป็นหนี้เป็นสินพอเป็นว่ามีช่องทางทุจริตคอรัปชันกันเยอะมันก็ล่มสลายช่วงนั้นเนี่ยนะครับผมได้รับอาราธนาไปบรรยายผู้บริหารธนาคารแห่งหนึ่งครับผมบริหารธนาคารเออผมพูดแค่ผู้บริหารธนาคารตั้งแต่ผู้จัด ก, การเลยเขาเริ่มเครียดนะครับเศรษฐกิจกําลังจะเริ่ม ปีสามเก้าเนี่เริ่มไม่ดีแลนะธนาคารชันรู้ชะตาตรรให้ผมไปเทศให้ฟังผมก็เทศให้ผู้บริหารฟั ง, งติดใจมาอีกรอบหนึงครับรอบที่สองนี่วิกฤตมาครับรอบแรกนี่เทศแล้วทํางานกันได้สบายพอรอบที่สองมันเกิดวิกฤตเศรษฐกิจปีสี่ศูนย์พอเทศจบครับยุบธนาคารพอดีแล้วก็ก่อนที่จะยุบวันนั้นเนี่ยนะครับธนาคารที่ผมไปเทศเนี่ยเขาเล่าให้ฟัง คนแต่ตื่นสนกครับนี่ครับในข้อสองเนี่ยในข้อสามเพราะถ้าประชาชนขาดสติภาวะครับขันไปถอนเงินจากธนาคารที่ผมไปเทศอะไรยี่สิบสามสิบล้านไม่มีเงินให้เลยครับจนกระทั่งท่านผู้หลักผู้ใหญ่ต้องเอาเงินม า, มากองให้เห็นมีก็สงบไปพักหนึ่งตอนหลังก็ไปดึงเงินออกมาจานธนาคารนี่ล้มทั้งคนขาดวินัยนะครับ คนจนเล่นหวยคนรวยเล่นหุ้นใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเกินตัวนี่ภาคประชาชนทุกเซกเตอร์ทุกภาคไม่มีระเบียบวินยัยไม่มีธรรมะเศรษฐกิจมันก็เกิดขึ้นและ i อะ้บอกว่าถึงเวลาแล้วที่ประเทศไทยจะต้องมีธรร ม, มาพิบาทผมสรุปให้ฟังนะครับสมมติธนาคาร น, นะจะปล่อยเงินกู้เลยนะให้คนกู้ไปสัว่าสิบล้านยี่สิบล้านเนี่ยเขามีหลักทรัพย์มาทัรกัน มีมีหลักทรัพย์ต่างกันตรวจสอบไหมว่าหลักทรัพย์มันปันกันไหมไม่ตรวจสอบนี่คือไม่มีทําอาภิบาลเลยนะไม่โปร่งใสเรื่องที่สองทำเช่นผมไม่เคยเห็นในประเทศอื่นกรรมการธนาคารนี่เขาจะมาประชุมกันก่อนเพื่อจะตัดสินใจในอเมริกาในีใครจะกู้ธนาคารนี่เขาสอบประวัติอย่างละเอียดยิบแล้ว ผู้บริหารธนาคารเนี่ยจะต้องมาประชุมกันแล้วมีมติปาบกว่าในประเทศไทยผู้จัด ก, การเซ็นอยู่คนเดียวครับและให้ญาติตัวเองกู้ไปครับแล้วก็ตอนนี้ก็ไปสบายอยู่ต่างประเทศลม้มเงินฟู้งรบะบบมันไม่มีการตรวจสอบไม่มีการโปรง่งใสเพราะฉะนั้นสรุปเลยครับสิ่งที่จะเป็นธรรมมาพิบาลได้มันจะต้องมีองค์ประกอบเหล่านี้ครับมีอะไรบ้าง ตัวทำมาพิบายนตัวกำหนดนั้นเช่นตรวจสอบได้คืออะไรครับผ่าน Parent โปร่งใสต้องมีปฏิเสธสรีมีส่วนร่วมให้คนเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจอย่าไป ง, งุกงิบทําอย่าพผููจัด ก, การคนเดียวจ้าว่ายคนเดียวตัดสินใจหรืออธิการบดีรูปเดียวตัดสินใจมันจะต้องให้ทุกคนมีส่วนร่วมแล้วก็ปฏิบัติตามกฎระเบียบจากเทศทัน f o l l o w the rule of law แล้วก็ ต้องรับผิดชอบ Accountable ต้องตอบได้เลลวลาเอาเงินไปใช้ที่ไหนอะไรยังไงนี่ชี้แจงได้ในรุ่นเดียวกันเอาเงินของเราไปใช้เนี่ยนะไปซื้อนู่นซื้ อ, น, อนี่ต้องมีใบเสร็จมาชี้แจงนี่คือเรียเก a c c o ล n t a b l e ถ้าไม่ต้องไปห่วงในะเดี๋ยวผมจะผมจะพูดเป็นสรุปเกาไทยกิให้ดูว่านี่คือท DP, ่าน UNDP ็เขาทำไอเมเขาทำมันมีสรุปแล้วมีอยู่อะไรครับแปดข้อ แต่ผมเห็นว่านี่ยูเอ a p เอคเขาก็ทำในะที่กรุงเทพเี็กเขาทำมาให้รัฐบาลไทยแต่ผมสรุปแล้วมีหกข้อครับที่สำคัญหนึ่งท่านจะดูว่ามีธรรมาพิบาในที่ใดหรือไม่จะต้องดูว่ามีส่วนร่วมมากน้อยแค่ไหนเขาเรียกว่า public participation คนที่เป็นสมาชิกมีส่วนร่วมแค่ไหนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจไหม มีส่วนร่วมในการโหวตลงคะแนนไหมมีส่วนร่วมในการลงประช า, าิมติไหมมีส่วนร่วมในการร่างรัฐธรรมนูญไหมหรือมีส่วนร่วมเฉพาะแค่ลงคะแนนว่าจะเอาหรือไม่เอาสองความโปร่งใสเรียกว่า Transparency ธรรมาพิบาลในการบริหารที่ดีเนี่ยนะจะต้องมองทะลุเหมือนกับหลอดไฟเนี่ย น, นะครับมองท r a n คือมองทะลุ ไม่ได้งบงิดไม่ได้ทำเฉพาะคนสคนเหมือนกับกู้เงินธนาคารเนี่ยปล่อยเงินกู้กันงบงิดเพราะมีผลประโยชน์แอบแฝงข้อสามครับใครรับผิดชอบเกิดเรื่องขึ้นมาเอ็กคาสติเบลิตี้เนี่ยมีเจ้าภาพไหมรับผิดหาให้ได้ค่างโง่ทางด่วนเนี่ยนะใครรับผิดชอบอย่างนี้เป็นต้น ต้องชดใช้สมมติถ้าเราต้องจ่ายไปถ้าไม่จ่ายก็ไม่เป็นไรถ้าต้องจ่ายขึ้นมาใครรับผิดชอบข้อสี่ครับหลักคุณธรรมมาโดยถูกต้องชอบทำไหมมาลงตำแหน่งเนี่ยหรือเป็นลูกท่านหลานเธอหรือได้มาหรือเลื่อนตำแหน่งโดยระบบเล่นพักเล่นห่วกหรือระบบคุณธรรมรวมถึงสมรรถสา์ด้วยปกครองโดยกฎหมาย รูนับหลองเป็นไปตามขั้นตอนระเบียบกฎหมายไม่เปิดกันแต่ละหน้าเลยไหมวากดระเบียบข้อนี้ให้อำนาจทราเรื่องนี้อำนาจอยู่ที่ใครใครเป็นคนสัง่งหรือเรื่องนี้มันต้องเป็นมติคณะกรรมการและกฎหมายนั้นมาโดยชอบทำระเบียบนั้นมาโดยชอบไหมหรือกฎนั้นมาโดยผู้มีอำนาจเขียนตามอาเภอใจนะครับข้อหกครับ efficiency and effectiveness ี่ยประสิทธิภาพและประสิทธิผลจะมีประสิทธิภาพประสิทธิผลเป็นตัววัดบริหารด้วยระบบธรรมมาพิบาลหกข้อนี้เนี่ยนะครับใช้ธรรมะอะไรนี่เล่ามาเพื่อให้ท่านเห็นว่าเราจะใช้พุทธานาไปประยุกต์เนี่ยเราจะต้องเข้าใจธรรมมาพิบาลโดยถูกต้องก่อนและเมื่อเราเข้าใจธรรมมาพิบาลโดยถูกต้องแล้วเนี่ย ท่านจะอาพุศสนาเข้าไปประยุกต์ตรงไหนก็ว่ากันไปแต่ละเรื่องนะครับเอาละเพื่อให้ท่านสามารถประยุกต์เท่ากับธรรมาพิบาลได้ธรรมะเรื่องอไรนะผมจะอธิบายแต่ละข้อก่อนแล้วจะบอกว่าวิธีประยุกต์ทํำยังไงพระพุทธศาสนากับธรรมาพิบาลนี่ถูกหัวข้อเลยครับพระพุทธศาสนาอยู่มาได้สองพันห้าร้อยปีเนี่ยมีคณะสงฆ์นะฮะหรือองค์กรชาวพุทธเนี่ยเป็นเหมือนบรรษั์ข้ามชาติที่เก่าแก่ที่สุดในโลก Multi-National อ r a n s n a t i o n a l อยู่ในอินเดียนะครับข้ามพรมแดนมาประเทศไทยจากไทยครบกับโน่นครับผู้สนาในญี่ปุ่นจากวิจัดประชุมนานาชาติเนี่ยโดยไม่ต้องไปผ่านรัฐบาลญี่ปุ่นรัฐ บ, บาลไหนเลยครับจีนเกาหลีอะไรต่างชาวพุทธเชื่อมถึงกันหมดมันเหมือนกับบริษัทใหญ่ๆอย่างเช่นซีพีนะครับไปเปิดธุรกิจในจีนสร้างสสิคาโลตัสเนี่ยแต่ก่อนเป็นของซีีนะครับ ที่เราเห็นเทสเทโก้โรตัสเนี่ยเขาว่าเทสโก้เป็นของอังกฤษโรตัสเป็นของที่ซีพีเลิมไว้แต่พอเศรษฐกิจตกครับทางซีพีต้องตัดโรตัสออกขายให้ต่างประเทศยุดหมดเลยครางในประเทศเราแต่ซีพีไปมีโรตัสของตัวเองอยู่ในประเทศจีนเปิดห้างโรตัสอยู่ที่นู่น <c oughs> เมืองไทยเทสโก้โรตัสเป็นของอังกฤษ ตอนนี้เทสโก้ไปเปิดในอเมริกาครับเมื่อวานในโเมิ่งข่าวบีบีีขยายพวกเทสโก้โรตัสคือบรรษัทข้ามชาติพระพุทธศาสนาคือบรรษัทข้ามชาติกระจายไปทั่วและที่อยู่มาได้ 2,500 ปีแสดงว่าต้องมีระบบธรรมามที่บานไม่ขั้นบริษัทนี้ล้มละลายไปแล้ว มหาจุลาตอนนี้ไม่ธรรมดาครับเป็นบางสัญชาติมีแฟรนไชส์อยู่ที่เกาหลีสาขาอยู่ที่ไต้หวันกําลังจะไปเปิดที่สิงลังกาครับส่งไปสมัครมาแล้วไปเปิดแฟรนไชส์ครับครับเหมือนเซเว่นลเวล่เนี่ยต้นฉบับอยู่อเมริกามาเปิดในประเทศเรามหาจุลาก็ฉบับอยู่ในประเทศไทยไปเปิดที่เกาหลีใต้ที่ไต้หวันทีส่สิงคโปร์ มหาจุลาเองต้องมีกู o ์การเงินมีธรรมมาพิบาตมิฉะนั้นขยายไปทั่วโลกอย่างนี้ไม่ได้นะทงนานแล้วครับพระพุทธศาสนาเป็นภาษาข้ามชาติที่เก่าแก่เราจึงอยู่มาได้ทุกวันนี้และเป็นระบบที่มีธรรมมาพิบาต ล, ลองดูสิครับอะไรคือธรรมมาพิบาลในพุทธศาสนาที่จะเอามาใช้กับประเทศไทยเรามีอยู่แล้วนะ มหาจุลาเนี่ยอยู่กับพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นมหาจุลาเนี่ยบริหารโดยธรรมมาพิบลัลมันถึงขยายไปทั่วโลกและตอนนี้มหาจุลาเป็นศูนย์การศึกษาศาสนาของโลกครับเพราะเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่โดยการลงมติของแ0สิบมหาวิทยาลัยพุทธศาสนาทั่วโลกเมื่อเมื่วันเมื่อเมื่อสิบวันที่ผ่านมาเนี่ยครับตั้ง International Association of Buddhist University สมาคมมหาวิทยนาลัยพุทธศาสนานานาชาติมหาวิทยาลัยระดับโลกนะครับ ไม่ว่าจะเป็นในใ น, ในอเมริกาอย่างนอร์ทอักมหาวิทยาลัยยูนิซีออสเวสตีแคลิฟอร์เนียมหาวิทยาลัยในญี่ปุ่นในเกาหลีใต้ดองกุกมีนิสิตเป็นหมื่นๆคนนะรัฐบาลรับรองเหมือนเราเนี่ยเจริญมากกว่าเรานาลนทาอะไรต่ออะไรต่อมารวมกันเป็นสมาคมมหาวิทยาลัยที่ประเทศไทยจดทะเบียนที่ประเทศไทยให้สํานักงานใหญ่มหาวิทยาลัยพุทธโลกมหาวิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติตั้งอยู่ที่มหาจุฬา ในกฎบัตรในคอนสติทิ uci on นะครับและเลือกอธิการบ ด, ดีมหาจุฬานี่ับเป็นประธานสมาคมมหาวิทยาลัยพุทธศาสนาดานาชาติก็หมายความว่ามหาจุฬานี่นะครับจะเชื่อมกับมหาวิทยาลัยทั่วโลกใครอยากจะมาเป็นสมาชิกสมาคมต้องได้รับอนุญาตจากผมแต่สิแห่งในฮังการีก็มาเป็นกับเราไม่ต้องพูดถึงในเอเชียในประเทศจีนทุกมหาวิทยาลัยครับลงนามร่วมกันก่อน อยู่สํานักงานใหญ่อยู่ที่มหาดุราตน์ประธานคือมหาดุราตน์เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมพูดว่าเป็นศูนย์การการสาธารณนิยไม่ใช่เพิ่ฝันเป็นแล้วเป็นแต่เพียงว่าเราจะบริหารให้มันเป็นธรรมม า, าพิบาลมากขึ้นมีความรู้มีความสามารถสมกับที่เขายกย่องเราหรือเปล่าท่านต่อไปท่านอยาไปเรียนอเมริกาไปไหนเราฝากได้หมดเพราะเราเป็นประธานอยากจะได้ครูบาอาจารย์เก่งมานี่อยากจะส่งพวกเราไป ชีวิตและความตายเนี่ยภาควิชาปริญญาโทของที่นี่ส่งไปดูงานเขาที่นันหวาซึ่งเป็นสมาชิกกับเรานี่คือตัวอย่างของมจรในฐานะบนรรษัทข้ามชาติและต้องบริหารด้วยระบบธรรม毗ปัตยถามว่าข้อแรกคือการมีส่วนร่วมหมายถึงอะไรครับเขาที่บายว่าอย่างนี้ เป็นกระบวนการที่ประชาชนทั้งชายทั้งหญิงหรือใครก็ตามมีโอกาสส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ Decision Making เท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นโอกาสในการเข้าร่วมในทางตรงทาง อ, อ้อมเราตัดสินใจไม่ได้เลือกผู้แทนเข้าไปนี่คือธรรมาพิบาลเรามีผู้แทนเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจว่าจะเอาหรือไม่เอาพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติผมถามหน่อยว่ามีผู้แทนเราไปนั่งตรงไหนที่เราเลือก ที่เขาเขาจะทาตามคำสั่งเราไม่ใช่สั่งโดยคนที่เขาตั้งเพราะฉะนั้นเราจะทำอะไรก็ต้องรู้สถานการณ์ว่าช่วงนี้เขาให้เราเข้าไปมีส่วนร่วมแค่ไหนเพียงไรการคาดหวังความสำเร็จมันจะต้องดูการมีส่วนร่วมมาตั้งแต่กระ บ, บวนการตัดสินใจเขาให้เราแค่ไหนกี่เปอร์เซ็นต์กัน ให้เสรีภาพแกสื่อมวลชนเสรีภาพแกสาธารณชนในการที่จะลงคะแนนเสียงเอาหรือไม่เอาจะสร้างานนถนนทักเส้นหนึ่งเนี่ยนะครับเขาฟังเราไหมจะสร้างถนนพุทธบูชาหรืออะไรก็ไม่ทราบที่จะผ่านพระปฐมเจดีย์เขาไม่เคยฟังเจ้าวาดวัดปถมเจดีย์นะครับวิ่งรอบองค์พระปฐมเจดีย์ไม่กี่วันพระปฐมเจดีย์ซึ่งเก่าแก่ที่สุดมากก็จะผังในที่สุดครับ ทำยังไงก็ไม่สำเร็จครับสร้างลูกเดียวโชคดีที่ความทราบถึงพระเนตรพระกันของพระเจ้าอยู่หัวทรงสั่งแล้วนะครับแต่ระบบราชการเขาไม่ฟังเลยมีการกระจายอำนาจในการตัดสินใจไหมครับ e c e n ซ r a l i z a t i o n ถ้าจเจ้าวามีอำนาจ เจ้าวาดแบ่งงานไหมว่าเรื่องนี้เนะี่ยท่านในหน้าการปกครองให้ฝ่ายปกครองดูหรืออาจารย์ใหญ่เนยะอาจารย์ใหญ่ให้อาจารย์ฝ่ายปกครองดูเป็นเสร็จเลยเนะีมีรายรายงานผมฝ่ายวิชาการทางนี้ดูกระจายนะมหาจุฬามอบรองฝ่ายวิทาการแล้วมอบไหมรองบริหารหมอบไหมฝ่ายวางแผนมอบไหมแล้วให้ข้าราชการปฏิบัติกันตามนั้นนะหรือตัดสินใจอยู่คนเดียวในทุกเรื่องแม้กระทั่งการใช้งบมาซึ่งไม่ใช่นะ การใช้กงมาต้องโปร่งใสต้องตรวจสอบการตัดสินใจทั้งหมดต้องผ่านสภาหมดแล้วสภาก็ไม่ใช่พวกเดียวกันหัวกันดีมาจากส่วนราชการเยอะแยะหมดนั้นเขามาคุมอะมั่วไปได้ต้องมีการกระจายอํำนาจการมีส่วนร่วมในคณะสงฆ์เรามีการกระจายอํำนาจพระพุทธเจ้าคุมไว้องเดียวไหม จะบวชพระมอบไหมยติจะถุกทางต่ำจะรับกระถินจะอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นการที่สรงกระจายอำนาจให้คณะสงฆ์ในการปกครองนั่นแหละคือจุดเริ่มต้นของธรรมาพิบาลในโลกอย่าลืมว่าพระพุทธเจ้าอยู่ในสมัยราชาที่ประยนะครับสองพันร้อยกว่าปีแต่พระองค์ให้สงเป็นใหญ่กระจายอำนาจและฝากพระพุทธศาสนาไว้กับ บรรษัทท้ามชาติคือพุทธบริษัทสี่รายละเอียดพวกนี้พูดกันได้เยอะเลยครับแต่ผมจะไม่พูดเพราะถือว่าพวกเรานี้รู้กันแล้วให้ท่านคิดต่อและขนาดที่ว่าการมีส่วร่วมเนี่ยท่านจะต้องมีอภิริหารนิยธรรมนะครับมันประชุมกันนั้นไม่ใช่ว่ามีกรรมการจะ่ไม่ประชุมครับปีหนึ่งประชุมกันครั้งหนึ่งมันประชุมกันเรื่องนิดนี้พร้อมกันประชุมไหมพร้อมกันทำเกณฑ์ที่ควรทํำไหมพร้อมกันเริ่มประชุม อปริหารนี่จะทำกำกับไปด้วยครับอ่าผมข้ามไปเลยครับอ่ า, อาดูวัชชีอปริหารนิยธรรมมันประชุมกันเรื่องนิดพร้อมเพียงกันประชุมเลิกประชุมแล้วทำกิจที่มึงทำนี่ครับรู้นับรอครับไม่บรญยติสิ่งที่ไม่บรญยติไม่ล้มล้างสิ่งที่บรรยายไว้ก็คือปกครองโดยกฎหมายที่ชอบธรรม ในวัชชิอปริหารนิยธรรมเนี่ยนะครับเจ็ดเด็มันจะมีธรรมาภิบาลอย่างไรนะเคารพนับถือท่านผู้หลักผู้ใหญ่ไหมมีส่วนร่วมให้ท่านมีส่วนร่วมผมจะไปเร็วเลยนะครับเรื่องธรรมะนี่ผมถือว่าท่านรู้หมดแล้วถึงไม่รู้ก็เคยรู้ครับบรรดากรุกรุลสตีกรุมาลีทั้งหลายมีส่วนร่วมครับในการตัดสินใจอย่าไปถูกกลมเหงผู้หญิงก็เป็นใหญ่ได้ครับ และศาสนาอื่นครับคำลบสักการะเจดีย์ปุฮยถานของศาสนาอื่นให้เขาอยู่ได้และข้อเจ็ดศาสนาพุทธครับอารักขาคุ้มครองปกป้องพระอาหารหันต์ทั้งหลายเห็นไหมครับท่านศาสนาอื่นท่านพุทธศาสนาดูแลปกป้องคุ้มครองให้เขามีส่วนร่วมในการบริหารการปกครองทั้งสิน่นนี่คือตัวอย่างของการมีส่วนร่วมที่ชัดเจนมากในพุทธศาสนาพูดกันได้เป็นวันนะครับ ในประเทศไทยเรานั้นพระสงฆ์ไม่ได้มีมส่วนร่วมโดยตรงในการเลือกตั้งเราไม่มีสิทธิ์ในการลงคะแนนเสียงแต่ประเทศศรีลังกาถ้าดูนี่ครับท่านทำอะไรกันนี้ครับเบอร์นี้ครับไม่ใช่ไปเลือกตั้งนะครับไม่ใช่ไปลงคะแนนเสียงนะครับไปสมัครรับเลือกตั้งเป็นสสครับพระในศรีลังกาตอนนี้มีอยู่เป็นสส อ, อยู่ในสภาผู้แทนราษฎร ของศีลษะกาศ้ารูปครับมีส่วนรวบโดตรงเลยครับล่างและพระมุญเหมือนเราอยู่ตอนนี้เลครับปรากฏว่าตอนล่างมานี่นะครับเขาไม่มีพุทธนาคระเอาใส่เข้าไปเรียบร้อยครับพระศีรษะกาเพราะไปอยู่ในสถานเ้ารูปครับแล้วอยู่พักรัฐบาลครับราชปักษาประธานาธิบดีเกรงใจครับเกรงใจพระใส่เข้าไปเล้วครับพุทธศาสําคัญที่สุด อยู่ตรงนั้นเยอะเย้ยพระไทยเลยครับตอนนี้สาขาของเราเสร็จแล้วครับเขาว่าไงท่านก็ไปส่วนบนกันต่อไปนี่ครับผมไปดูงานมาแล้วครับการมีส่วนร่วมผมไม่ได้กำลังบอกท่านว่าเราจะต้องมีส่วนร่วมแบบเขา การมีส่วนร่วมแบบเราเนี่ยคืออย่างไรครับคือการเทศการสอนการชี้นำชี้ทางประชาชนที่ถูกที่ควรการสอนธรรมะมันมีรายละเอียดเยอะนะครับท่านไปดูตอนที่ผมข้ามม า, า ย, ย้อนไปดูก็ได้ตอนวัสกาละพามเนี่ยวสกาละพามไปถามผู้ลีเจ้าว่า ในมหาปริพาันธาสูตรว่าพระเจ้าอาชาตสตรูนี่นะครับแห่งแคว้นมาพศอยากจะบุกแคว้นวัดชีแล้วเกิดให้มาถามพระเจ้าว่าบุกดีหรือไม่ดีรบดีหรือไม่ดีท่านลองคิดดูนะถ้าพระเจ้าบอกอย่าไปรบเลยอาชาตสตรูก็ปลอดถ้าบอกให้รบวัดชีก็ปลอดพระเจ้าการเป็นการทางการเมืองอย่างที่พระไทยทําเนี่ยเรียนแบบพระเจ้าในงานนี้ครับ เราไม่ได้ลงไปโดยตรงบนพลังตราจุดยืนของเราเหมือนพระพุทธเจ้าในมหาปริพญาสุดพระพุทธเจ้าทำยังไงครับพอวัศการรับขานถามว่าจะลกยกพระไปตีวัดชีดีหรือไม่ดีพระพุทธเจ้าหันไปถามพระ อ, อ น, นุลซึ่งกาลังถวายางนานพระอยู่ อ, อ น, นุ์เคยเทศอภ ร, า, อนรานิริหารนิยธรรมเจ็ดประการให้วัดชีฝังไม่ทราบวัยปฏิบัติอยู่ทุกข้อไหมยังมันประชุมกันเดือวนิดไหมถ้า อ, อ น, นุลก็ตากถูว่ายังมันประชุมกันเดือวนิด กระสักฤทธิ์ช ว, วีของวัชียังมันประชุมกันเรื่องนี้พร้อมกันประชุมพร้อมกันเลือกเล่าเลิกประชุมพร้อมกันจะทํากิจที่คนไล่แต่ละข้อเจ็ดข้อมาเนี่ยพระอา น, นุ์บอกปฏิบัติหน่อยขุนเจ้าก็เลยสรุปบอกอา น, นุนที่ทําอย่างนี้แต่ละข้อเนี่ยมีแต่ความจเจริญไม่มีความเสื่อมเลยใช่หรือไม่ใช่พูดแค่นี้ก็จบแสดงว่าวัาชีกำลังเจริญรุ่งเรืองวัสการละความก็เลย กล่าวลาไปรายงานพระเจ้าศัตรูว่าตอนนี้ยังไม่ใช่เวลาที่จะยกไปตีวัดชีเพราะมีะปริหารีทำเจ็ดประการพระเจ้าศัตรูก็เลยงดยกทัพไปเพราะถือว่าวัดชีกำลังเจริญต้องยุคให้แตกกันก่อนในที่สุดก็พอพระพุทธเจ้าบริธิพาน์ไปแล้วก็ทำเป็นปรึกษาใ น, ในท้องพระโรงว่าจะยกทัพไปตีวัชีมีวสกร า, ารลามรู้กันแต้งคัน ก็เลยหาว่าเข้าข้างวัดชีก็จับเขี้ยน่ยวัศการรักษาก็หนีไปอยู่กับวัดชีวัดชีตายใจรับใส่ศึกมาอวัดการกสารก็ยุบให้แตกกันเราอ่านเรื่องนี้ในสามัคคีเพศคําฉันในอนธิกถามหาปริพานสูตรในสามัคคีเพศคํำฉันในอะไรต่างตอนที่ถูกเขี้ยนเนี่ยนะในชิดบุรทัศน์นิพนธ์ประพันธ์ไว้บอกว่าบ่งเนื้อก่อนเนื้อเต้น พิะเส้นสรีรัวทั่วร่างและทั้งตัวก็ระลิกระริระร้วไหวโอ้โหวัชชีเห็นโอ้โหโดนเคลื่อนจริงนี่รับไส้สึกมาแต่กันเป็นก๊กเป็นเหล่าในที่สุดตีระครังแล้วไม่ไปชุมวักาานาคางก็ส่งสัญญาณให้อาชาติสูบบุกคคยึดโดยง่ายเลยประเทศไทยถ้าตีระครังแล้วไม่ไปชุมเกียงกันนะครับอันตราย สามัคคีเพศเพราะฉะนั้นอปริหานิยธรรมใ น, น ก, การมีส่วนร่วมเนี่นะครับสอนไว้อย่างดีครับทาให้เกิดความสามัคคีเห็นไหมครับลองมุกยิบทําคนเดียวกินคนเดีย ว, นนยวอะไรคนเดียวสิครับไอคนอื่นก็หมานครับแตกกันหมดจำที่ฆาดเพื่อนรักให้ตัดใสผลประโยชน์ขัดกันต้องบันเลยตายด้วยได้ข่านหนึ่งจุ้งจะดี มันก็สารบางทีเพศเลยครับแค่ไม่มีอภิริหารนธรรมแค่นี้นะครับธรรมาพิบาลก็ไม่งอกนะข้อเดียวนี้นี่ขณะผนะู้ข้อเดียวเลยอมีข้ออื่นอีกครับเรื่องการเมืองนะครับการเมืองเราไม่ต้องไปร่วมโดยตรงครับแต่ทาอย่างที่พระเจ้ามาให้คําแนะนำและอยู่ต่างต่างเรื่องรัฐธรรมนูญครับ เราไม่ได้มีส่วนในการส่งคนไปร่างไปเป็นกรมกรมอาภิคานมันถึงได้ยากเย็นแสนเข็ญแต่แล้วเขาก็อ้างว่าประเทศในโลกนี้ไม่มีหรอกครับที่มีศาสนาประจำชาติผมไปดูมาแล้วครับาศาสนาคริสต์ที่มีศาสนาประจำชาติมี15ประเทศเขียนไว้แลรวท่านมาดูครับตัวอย่างเช่นเดนมาร์คมันหยัดบอกว่ า, าศาสนาคริสต์ลูเทแรนเป็นาศาสนาประจำชาติเดนมาร์กที่ต้องได้รับการกระทำจากานั้น กรีกว่าไงครับกรีซถือกรีกบัญญัติในรัฐธรรมนูญว่ า, าศาสนาสําคัญในประเทศกรีซถือาศาสนาคือาศาสนาคริสต์ออตโตด็อกตะวันออกพระคำพีแบ่งเบื้องอนุสัตติต้องได้รับการอนุรักษ์ไว้โดยมีการดัดแปลงเขียนไปเลยครับแล้วจะว่ากรีกเดนมาร์กนี่จเจริญ น, น้อยกว่าเราหรือเปล่าเดนมาร์กนี่นะครับเป็นประเทศที่มีความสงบสุขมากอยู่ในอันดับห้าประเทศของโลกครับประเทศไทยอยู่อันดับเท่าไหร่ครับ ร้อยร้อยห้าเดนมาร์กมีความสงบสุขอยู่หนึ่งในห้าของโลกเพราะมีศาสนาประจำชาติเดอนและธรรมนูญประเทศเราอยู่ในร้อยห้ายังไม่ทันจะใส่มันก็ร้อยห้าแล้วครับมันทะเลาะกันตแต่หัววันแล้วครับ มันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องศาสนาประจำชาติหรือศาสนาประจำชาติหรอกครับอิสลามครับสามสิบประเทศมีอิสลามเป็นศาสนาประจำชาติมาเลเซียบ้านเราใกล้บ้านเร า, ใ, า, นเราในบัญยัติว่าอิสลามเป็นศาสนาแห่งสหพันธรัฐมาเลเซียแต่ก็อาจปฏิบัติศาสนาอื่นได้ด้วยสันติและสามัคคีในทุกส่วนของสาพานธรัฐอภิปรายสถานหนักหน่อยครับศาสนาอิสลามในบรรญัติแล้ธรรมดุลครับ ศาสนาอิสลามที il il ina, ่ศักดิ์สิทธิ์เป็นศาสนาให้อัลกัตตานิสถานในสาธารณอัลกัตตานิสทานจะไม่มีกฎหมายใดขัดแย้งกับหลักการของศาสนาอิสลามที่ศักดิ์สิทธิ์ห้ามศาสนาใดห้ามกฎหมายใดขัดกับหลักอิสลามอันนี้หนักไปหน่อยห้ามเปลี่ยนศาสนาด้วยนะครับใครเปลี่ยนศาสนาถูกจับได้ประหารชีวิตครับนั่นแนวอัลกัตตานิสทานเขาเรียกว่ามีหลายแบบครับศาสนาประจำชาติเราก็เอาแบบที่มันสงบสงบสิครับ เดนมาร์กนี่กรีกอย่างนี้ครับอย่าไปเอาอย่างอัิปรายในานเลครับภูษณาที่ประกาศอย่างเป็นทางการนะครับว่าเนศาสนาประจาชาติมีสี่ประเทศนะครับศรีลังกาพม่ากัมพูชาพูทานไม่มีไทยศรีลังกาบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนะครับตอนนี้กำลกังจะแก้แล้วก็คงเอาไว้เหมือนเดิมแล้วสร้างน้ำศรีลังกายยกภูษณาไว้ในสถานะสาคัญสูงสุด และถือเป็นหน้าที่ของรัฐที่จะต้องกระทำบำรุงพุทธศาสนาและในขณะเดียวกันก็จะประกันสิทธทิทุกศาสนาตามที่บัญจัณฑ์ในมาตราสิบและสิบสี่ก็ให้ศาสนาอื่นมีส่วนร่วมด้วยภูฐานบัญญัติว่าไงครับพุทธศาสนาเป็นมรดกทางจิตใจของภูฐานซึ่งส่งเสริมหลักการและค่านิยมแห่งสันติอ ห, หิงสา ก, กรุณาและขันติภูฐานก็มีและศีลกาและก็ภูฐานที่เขาเขียน ต, ตรงๆเลยนะครับสําคัญสูสุด ไม่ได้เขียนว่าเป็นศาสนาที่คนส่วนใหญ่นับถือมาช้านานแต่อย่างไรท่านสังเกตไหมครับศาสนาคริสต์เขาก็บัญญัติเป็นศาสนาประจำชาติแต่ไม่ใช่คาทอลิกหรือโปรเตสแตนต์ครับอเมริกาก็ไม่กําหนดที่ไหนก็ไม่กําหนดเพราะอะไรครเขาบัญญัติไว้ในกรีนครับออร์ทอดอกตะวันออกบัญญัติไว้ในเดนมาร์กคริสต์ลูทอแอน ที่บัญญัติไว้ในรัธรรมนูเนี่ยเพราะต้องการให้ไม่สูญพันธกรีกออเทอร์ดกไม่เหลือที่ไหนแล้วนะครับคาทอลิกยึดไตเกือบหมดพื้นที่โลกโปรเตสแตนต์อาหมดแลวกรีกบอกว่าเหลืออยู่ประเทศเดียวในโลกคือกรีกต้องบัญญัติไว้ธรรมนูญมิงั้นสูญพันธแน่นอนจึงใส่ไว้ธรมนู เดนมาร์กครับเลตุูเทรนก็ถูกแคทอลิกโปเตแตนลุกไล่มาเรื่อยจะไม่เหลือที่ไหนในโลกแล้วต้องเขียนไว้ว่าอยู่ในประเทศเดนมาร์กพุทธศาสนาเคยอยู่ในินเดียครับไล่ไปแล้วครับลังกาก็อนงอนแงนแล้วครับไล่ไปเรื่อยเรื่อ ย, อยจีนเวียดนามจะเหลืออยู่ที่ไหนครับผมบอกศาสนาที่คล้ายค้กับ endanger species นะครับ ใกล้ศูนยพันมันต้องเขียนไว้ที่ประเทศใดประเทศหนึ่งประเทศไทยครับแต่ท่านไม่ได้มีส่วนร่วมในการร่างนะครับเพราะฉะนั้นคนที่มีส่วนในการร่างเขาก็เสียงดังกว่าท่านเป็นธรรมดาท่านต้องเข้าใจว่า p า r t i c i p a t ่ o มมันสำคัญเมื่อท่านไม่มี participation ไ ม, มีส่วนร่วมแลวเขาไปฟังท่าน ท่านจยมีความหมายอะไรได้แต่มาบ่นกันในห้องประชุมพุทธมนตนครับไปเรื่องเื่นน ะ, ค, ะครับข้อสองครับโปร่งใสครับความโปร่งใสหมายความว่าเป็ น, นกลไกที่มีความสุจริตโปร่งใสมีกติกาดงเนินการเปิดเผยตรงไปตรงมาไม่สุจริตไม่คอร์รัปชั่น จ่ายไปเท่าไรตรวจได้หมดงานวัดงานนี้ทั้งนี้จ่ายเรื่องนี้ไปเท่าไรเอามาดูหมดชัดเจนไม่มีทุจริตคอร์รัปชันไม่ใช่ว่าสร้างไปเขบาบอกถนมในประเทศไทยถ้าใช้งบประมาณตามที่อนุมัติไปทั้งหมดในครั้งที่ผ่านมาปู ด, ด้วยทองคำแล้วครับ <c oughs> แล้วประชาชนสามารถเข้าถึงได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างเสรีเป็นธรรมถูกต้องและมีประสิทธิภาพแม้กระทั่งรับนิสิตเข้าปริญญาโทรปริญญาเอกนะครับ โปร่งใสหรือเปล่าเล่นพวกไหมงงยิบไหมคะแนนเอาจริงหรือเปล่าไม่ใช่ว่าพวกเดียวกันคะแนนขึ้นรวดยังกระปั่นพุ้นไอ้พวกที่ไม่ใช่พวกตัวเองเลยโยกดเอาไว้สอบเท่าันสอบอะไรไม่ผ่านถ้าบอกว่าโปรง่งใสต้องตอบคำถามได้ว่าทำยังไงขั้นตอนขอดูคะแนนได้ เป็นอย่างไรประชาชนสา ม, มารถตรวจสอบและติดตามผลได้คนระับความสงสัยสงสัยอะไรตรวจสอบได้พระผู้เท็เจ้าให้ตรวจสอบไหมครับอภิปราต้องปรนนนามไหมครับป ร, ราณาคือทําอะไรให้ว่ากล่าวตักเตือนทิขเทนะวาตุเตนะวาบริสังตายวาวะเห็นก็ดีได้ยินก็ดีสังเกียก็ดีถามได้เลยสงสัยก็ ถามได้ยังไม่มีหลักฐานไม่ต้องเอาไปเสร็จก็ถามได้ปรณนาได้จริงปะ่ะไม่ใช่โอ้มีหลักฐานไม่จะมาว่าผมนี่พุทธเจ้าบอกแค่สงสยัยดีมี ด, ดีสงสัยตอนไหนตอนฝันะตื่นขึ้นมา <c oughs> มันฝันว่าแกไม่ดีนี่ลองถามหน่อยต้องมีสิทธิ์เี ง, เง <c oughs> และที่ไม่เคยมีที่ไหนนะในในปรนรณาสูตรพระพุทธเจา้าครั้งนั้นแหละผู้มีภาคเจ้าในวันปรนา ส้มตรวจดูพิสูจน์สมเป็นผู้นิ่งอยู่แล้วจึงรับสั่งกับทั้งหลายว่าพิสูจน์หลายบัทนี้เราขอปรนนธาเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจะไม่ติดเตียนกรรมใดๆที่เป็นไปในทางตายวาจาของเราบ้างหรือพระพุทธเจ้าเปิดโอกาสให้ซักถามนะครับอภิปรายไม่ไว้วางใจเราไปอ่านพระสูตรนี้ดีดน่าสนใจนะแค่นี้ก็โปร่งใสขนาดไหนแล้วท่านซักฟอกทัพพุทธเจ้าเลยแต่อย่าไปซักฟอกเจ้าวาดนะท่านนะ ถ้าสูตรนี้มันสมัยโบราณไปต่อครับผมเป็นเจา้าวาดครับราชะรรมน้ทำเสครับเดี๋ยวหาจะว่าไม่พูดคำพานเจา้าวาดเลยผมเป็นเจา้าวาดราชธรรมน้นเสดก็เป็นการหมอกนะว่าโปร่งใสยังไงครั บ, ารายยารรบทานศีลบริจาคอาชวะนะครับทานนางศรีหลังบริจาคคันอาชวังวัตวังตะปันอากโกทางอวิหิงสัญจคันตินจาอวิโรธนัน ไม่อธิบายนะครับท่านเขาจะบอกว่าเนี่ยทําแล้วทาให้เกิดการโปร่งใสยอย่างไรโทศสุภเราจะทำนะทานทําให้เกิดการมีส่วนร่วมไหมท่านเล่กมาแต่ละข้อเลยถ้าท่านมีทานนะคนก็มีส่วนร่วมมีศีลท่านก็ไม่ทำร้ายคนที่มามีส่วนร่วมมาวิาพากษ์วิจารณท่านอ่อันนี้เป็นรายละเอียดนะครับซึ่งท่านทราบกันอยู่แล้วมิฉะนั้นพระเจ้าอยู่หัวของเราถ้าไม่มีโทษพิภีเราจะทำนะครับ ถ้าเหตคนเข้าไปกราบทูลไปเทพทูลไปอะไรต่างๆมีทางมีบริจาคโปร่งใสทุกอย่างทรงบริสุทธิ์ขุนพองเนี่ยคนเป็นล้านจะมาไหมครับวันปีที่แล้ววันที่9มิถุนายน๒๕๔๙เนี่ย 49, มหาสมาคมที่จัดฉลองกันเพราะภาพนี้มาให้ดูไม่มีอะไรหรครับนี่พระชวังเขาขาวนี่อะไรครับเจดี JD. วัดประยูนเขาเรียกว่าคนพรอยได้ครับไหนๆจะพูดทัทีนะใครเลือื่นหระครับ เราจะต้องสอนเรื่องกฎแห่งกรรมให้มากขึ้นอ่านพระสูตรธนัญชานิพพามได้ไหมครับทุจริตคอร์รัปชันครับเป็นเสนาบดีเส็โกงสะบัดหันแหลกเลยอ้างประชาชนปล้นพระราชาพระไตรปิฎกแปลดีนะครับอ้างพระราชาปล้นประชาชนธนัญชานิถพามนะครับเป็นเสนาบดีเขาว่าอ้างพระราชาปล้นประชาชนได้ยังไงครับไปชนบทรับไปเก็บ ข้าวเนี่ยก็เก็บภาษีนะครับอ้างพระราชาบอกให้เก็บเท่าไหร่ยี่สิบเปอร์เซ็นเอามามามายี่สิบเปอร์เซนร้อยถังเอายี่สิบถังเอาจะเอาไปเข้าหลวงคืออ้างพระราชาไปปล้นประชาชนมาเสร็จแล้วเอาเข้าหลวงหนึ่งถังครับหนึ่งเปอร์เซ็นที่เหลือสิบเก้าเปอร์เซ็นตนี่เข้าบ้านตัวเองอ้างพระราชาปล้นประชาชนแล้วอ้างประชาชนปล้นพระราชา ตับกันนี่นะพอพระราชาถามทําไมได้แค่ถังเดียวล่ะไม่ได้เวยได้ห้าถังไปไหนหมดปีนี้ข้าวไรพ้นไม่แพ้โตเพราะฉะนั้นได้ถังเดียวประชาชนลําบากสงสารประชาชนก็เลยไม่เก็บอ่าประชาชนโกงพระราชาก็อีกโอ้โหมันมีมาแต่ไหนแต่ไรเวลาอ่านเข้าใดประโยคอ่านไม่ครบครับคนไทยอ่านจะกประโยคนี้ครับก็เลยเรียนแบบครับเราจะต้องอ่านต่อไปครับ ภาษาลีบุตรได้ ข, ข่าวขึ้นมาไอ้มันอ้างพระราชาปล้นประชาชนอ้างประชาชนปล้นพระราช า, ปปชาไปบินทบาทเลยครับไม่นิมนต์ก็ไปครับบินทบาทเศรษฐกังรับบาทู่ถามไปไงสมัยนี้อยู่ดีกินดีอยู่ดีกินดีก้วนเลยท่านและอยู่ในสีในธรรมมันลําบากท่านถ้าอยู่ในสีธรรมอดตายผมต้องเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียจะซื้อจะบริสุทเหมือนท่านไม่ได้หรอกเถียงกันเกงนะที่ผมต้องขอรับท่านเนี่ยเพราะมีลูกมีเมีย ท่านไม่มีท่านก็ไม่คอร์รัปชันนะสิพูดได้ที่ธรรมะพี่บ้านเนี่ยประชุมกันอยู่นี่ใครก็พูดได้อ๋อธนัญชานิัวหมอเทียงเลยภาษารีงกตษตอบกันไงท่านเสนาบดีที่ท่านพูดว่าท่านต้องโกงต้องคอร์รัปชันเพราะไปเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียนี่เวลาถูกโรงพบาลถามนี่อ้างแล้วฟังขึ้น ห, หรพบาลบอกว่าเออจะไม่่ไม่ไม่เอาลมทันไม่ ใส่ในกระทะทองแดงเพราะท่านโกงมาเพื่อเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียโยบานจะฟังไหมไมฟังเพราะอะไรเพราะมันก็โกงเรียดเรียนคนอื่นนั่นแหละมาท่านเสนาบดีต่อให้ท่านเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียแต่ท่านไปโกงไปทุจริตท้องท่านมาบาปมันก็ไม่ได้ล้างไปจงสํานึกใชตอนนี้นี่โยบานถ่ายภาพเก็บไว้เรียบร้อยแล้วรวันได้สํำนึกครับ กลัวบาป ก, กลัวกรรมคนไทยสมัยโบราณนะครับไม่ทุจริตไม่คอร์รัปชันเพราะระบบจริยธรรมมันเข้มแข็งไตรภูมิพระร่วงนรกสวรรค์ดึงสังคมไทยให้อยู่ในสีในธรรมตอนนี้เมื่อไตรภูมิพระ่วงคนก็ไม่ได้อ่านแล้วกลัวบาป ก, กลัวกรรมก็ไม่ได้กลัวกันเท่าไหร่แล้วท่านจะมีระบบจริยธรรมอะไรมาสอนเอาเรื่องอะไรมาสอนเขา ภาษาลิบูตยังใช้ใตปุ่มได้ผลอยู่เพราะฉะนั้นท่านจะต้องสอนใหม่ว่าทำดีให้ได้ดีทำยังไงพวกทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยมันไม่ส ustainable มันไม่ยั่งยืนมันไม่มีความสุข ม, มันกลัวมันหวนัดถวะไม่รู้ว่าเมื่อไหร่นี่กรรมจะตามสนองน้ำลดต่อปุ่นตัวอย่างมีเยอะแยะไป เพราะฉะนั้นเราทำดีแล้วมันจะได้ดีบางคนบอกท่านทาดีได้ดีมีที่ไหนทำชั่วได้ดีมีถ่งไปก็ยกตัวอย่างเลยครับทำดีให้ได้ดีต้องทำดีให้ถูกดีให้ถึงดีและก็ให้ขอดีเอาสามคำบางท่านเอาสี่คำถามว่ามาจะไหนครับสมบัติสี่ครับประโยคนรัสมบัติถึงดีอุปทิสมบัติ ป, ตประโยคสมบัติกาลสมบัติอะไรต่างาว่าไป ในเรื่องขุบัตรสี่ของการคำกล่าวแต่ผมให้ชาวบา้านจําง่ายผมสอนซ้ครับถูกดีถึงดีพอดีเช่นอย่างไงครับทําดีให้ถูกดีคงชื่อเลยครับอย่าห่วงว่าใครไม่รู้ว่าท่านเก่งหรือมีความสามารถสรัมวันหนึ่งว่าคนเขายกย่องท่านเลื่อนตําแหน่งท่านท่านเก่งจริงหรือเปล่าข้าราชการมักจะเสียฝัญครับเราไม่ไม่ไรสองท่านสักทีหนึ่งไม่มีพวกไม่มีเพื่อนเก่งจริงหรือเปล่าดีจริงหรือเปล่าวันหนึ่งเขาก็ต้องใช้ท่าน ไอ้คนที่อยู่ในอำนาจที่มันชอบฉนมันอยู่ได้ไม่นานหรอที่ไม่มีความเป็นธรรมเดี๋ยวมันก็ต้องไปเก่งจริงหรือเปล่ามีตัวอย่างเยอะแยะนะครับแต่เวลาหมดเขาไปเรื่ อ, อื่นทำดีให้ถูกดีถึงดีและก็พอดี มีหลายประเด็นมากนะครับแม้กระทั่งผมเอาเรื่องใช้ให้ดูหน่อยเอาเรื่องหลักการปาเรโต้มาทำยี่สิบให้ได้ผลแปดสิบทำยังไงทําดีให้มันได้ดีทำแปดสิบทำเกือบตายแต่ได้ผลยี่สิบไม่ได้ดีครับหลักเศรษฐศาสตร์เลยครับคนคนนี้คิดไว้นี่คือบุรณาการขา้าราชการสมัยใหม่ทําดีให้ได้ดีผมถามท่านก็นแล้วกันถ้ารู้จักวงจังไพรโลดแกร็อกเพลงกี่เพลงท่านทราบไหม หนึ่งพันหนึ่งร้อยเพลงแล้วเพลงที่แกดังที่เรารู้จักกี่เพลงไม่กี่เพลงนักเขียนที่ท่านรู้จักเขียนหนังสือกี่เล่มท่านรู้เป็นร้อยเรื่องแต่ที่เราอ่านและเขาเป็นที่รู้จักทั่วประเทศไม่เกินสิบหรือยี่สิบเรื่องเพราะฉะนั้นท่านจะเขาเข า, เขาจะพูดว่าปาเลโต้จะบอกว่าน 80, คนแปดสิบยี่สิบคนแปดยี่สิเปรซ็นเป็นเจ้าของทรัพย์สินแปสิบปซ เราทำงาน 80% อาจจะได้ผลแค่ 20% แต่งานอีก 20% ที่เราทำอาจจะได้ผล 80% ที่ท่านเทพได้เนี่ยคนมาถวายท่าน เ, น ย, เยอะๆเนยนักเทศจะรู้มาจาก 20% ของคน ท, ที่นี่หมดอีก 80% ที่นิ่หมดน่ยถวายแค่เป็นเป็นรายได้แค่ 20% พวกสำนักหนึ่งถวายไหมแต่อีที่เยอะๆที่ไปสวดมนต์ชั้นเพรได้เยอะๆเลครับ มันยี่สิบซ็ตของรายการเท่านั้นที่ได้แปดสิบเปอร์เซ็ตของรายได้ส่วนไอ้ที่รับไปแปดสิเอร์ซ็นต์นฮะลวงแล้วมันได้แค่ยี่สิบเท่านั้นหน้าที่ของท่านต้องจดสถิติอันไหนมันได้เยอะแปดสิบมาจากไหนขยายตรงนั้นนะในการทํางานก็เหมือนกันเทศสอนใครแล้วมันได้ผลแปดสิบต้องเทศสารีบุตรโมกขลานะพระเจ้าเทศสองคนนี่ขยายทั่วประเทศอินเดีย มัวแต่ไปเทศสอนตาสีตาสายอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ครับเทศแล้วลืมแล้วลืมอีกสู้สาลิบุญโบกคลาสองอค์ไปเลยเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเปิดหลักสูตรไหนครับมหาจุฬาดฯจบแล้วไปทํางานประสมฟันต้ําเร็จเปิดครับเปิดหลักสูตรไหนรับไปเรียนไปครับแล้วเอาไปก็ไม่ได้ไปใช้ครับ สะดุดประตูก็ลืมหมดน่าคิดนะครับฝากอาจารย์ไปคิดด้วยก็ตอนนโยบายครับทำดีให้ถึงดีครับคงเจยบอกว่าให้ผมเจอเลี้ยงมาม้าจะต้องอ้วนให้เป็นเสนาบดีกระทรวงการคลังเงินจะต้องเต็มขังทำให้มันถึงจุดที่ความดีจะให้ผนสุดท้ายครับเรื่องของ ทำดีให้พอดีมัชฌิมาปฏิปทาทางสายกลางเศรษกิจพอเพียงนี่แหละครับมัชฌิมาปฏิปทาทางสายกลางเอาเป้าหมายเป็นเกณฑ์ขึ้นบนนั้อยากจะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังคนทำดีไม่พอดีเนี่นะครับมันจะเหมือนอิคารัสอิคารัสเนี่ยเป็นเด็กหนุ่มคนนี้ครับพ่อเป็นช่างไม้ติดคุกอยู่บนยอดเขาครับล้อมรอบด้วยทะเลแกอยากจะหอ่อหนีพ่ออยากจะหนีโดลงไปก็จมน้ําตายเพราะมันสูงมาก พ่อเป็นช่างก็เลยเก็บขนนกมาแล้วเอาไม้มาแล้วก็เอาเชือกปูกับขนทําเป็นเครื่องร่อนครับให้บินลงทำสอชุดให้ตัวเองชุดหนึ่งรูปชุดหนึ่งพ่อก็บอกไปอีคารัสบว่าที่จริงไม่ได้ปีกงออย่างนี้เขาเอาผูกติดกับแขนนะครับนี่ผูกกับไข่อย่างนี้บอกว่าอย่าบินสูงนะ น, นะให้พอดีๆตามพ่อมาพ่อจะนําปรากฏว่าไอ้ลูปเนี่นะครับพอมาได้ขนติดมาอย่างนี้มัน นี่คำพ่ออยู่ทางนี้ครมันไม่ตามครับทะลุเมฆนะนับเมฆอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับเหาะทะยานเหนือเมฆพอทะยานเหนือเมฆแล้วเป็นไงครับพ่ออยู่ใต้เมฆลงไปค่อยๆล่อนไปลงทะเลอย่างปลอดภยัยแต่ลูกเนี่ยเหลิอลงลมครับได้ปีกมามีอิสระเหาะใหญ่เลยครับโขนสบเลยเมฆครับหาดูไม่ที่พ่อไม่ได้บอกคืออะไรครับ มันผูกติดกับแขนก็จริงครับแต่แถวนี้ใช้ขี้พึ่งนะครับขี้พึ่งประสานขนเข้าในการเป็นแผงเพราะเชือกไม่พอพอโดนแสงอาทิตย์ขี้พึ่งละลายครับเอาวังซิโรเลยครับนี่ครับภาพในอดีตเขาวาดว่านี่นี่ครับผูบเท้าม่านี่ขนกระจุยเลยว่านี่พวกอิคารัสครับจมน้ําตาย ในหลายประเทศก็ทำเป็นทุนสาวลีเนี่ยอย่างนี้ยาให้คนลืมตัวครับยาสูงเกินไปให้มันพอดี Never, Never outshine the master ยาเด่นเกินนายอยู่ในวัดก็อย่าเด่นเกินจเจ้าอาวาสต้องย้ำไว้ครับหลวงวิจิตรประการเจงสอนว่าอันที่จริงคนเขาอยากให้เราดีแต่ถ้าเด่นขึ้นทุกทีเขาหมั่นไส จงทําดีแต่อย่าเด่นจะเป็นไยัยไม่มีใครอยากเห็นเราเด่นเกินทำมาพิบาลนะครับทําดีให้ได้ดีท่านอย่าเด่นเกินไปทํางานที่ไหนก็สนอเข้าไปก่อนรอโอกาสของเราครับอย่าเด่นเกินผู้มีอำนาจแต่งตั้งสมเด็จมหาวิโรจน์ว่าไงครับโง่ไม่เป็นเป็นใหญ่ยากฝากให้คิดทางชีวิตจย่รุ่งโรยโสตทิพล ต้องรู้โง่รู้ฉลาดปราดเพือนตนโง่สิบผลดีกว่าเบ่งเก่งเดี๋ยวเดียวอย่าเก่งเกินเจ้าว่าเจ้าว่าชอบใจท่านโง่บ้าง่านนะ <c oughs> แล้วจะพอดีข้ <c oughs> <3 S 1> อสามจะไปเร็วเลยนะครับ <c oughs> ความรับผิดชอบ a c c o u n t a ิ i l i t หมายถึงรับผิดชอบในภาระหน้าที่ทำอะไรแล้วต้องสนองตอบต่อสังคม มีองค์กรหน่วยงานที่พร้อมที่จะถูกตรวจสอบแล้วก็ผมพูดไปแล้วนะเรื่องกดแห่งกรรมเรื่องพันเท่านั้นชานี้นะครับกดแห่งกรรมหลักคุณธรรมครับก็คือแต่งตั้งโดยสุจริตเพียงทำมีการเลือกตั้งมีอะไรต่างให้มันถูกต้องชอบธรรมอย่าคดโกงอย่าถ้ามีเลือกตั้งก็อย่ากโกงเลือกตั้งมีเรื่องที่จะพูดเยอะเลยครับเรื่องอธิปไตยสามคือถ้าเราเป็นอาตาัตราอธิปไตยมันก็ หลักคุณธรรมไม่ได้มันก็เอาพวกเอาตัวเองเป็นใหญ่ใช่ไหมโลกาธิปไตยก็เอาพวกที่กดดันเอามงบเป็นใหญ่แต่ธรรมมาธิปไตยเอาความถูกต้องดีงามเลื่อนคนตามธรรมะคุณสมบัติของเขาเนี่ยธรรมมาธิปไตยนี่แหละครับ ม, มันมีสี่มุมนะครับหนึ่งถ้าท่านเป็นอาจารย์ิปไตยท่านชนะคนอื่นแพ้เวลาจะทําผลงานทีไรเราเอาหมดเราเป็นประธานงกครับคนอื่นเสียหมด ได้เราได้อยู่คนเดียเป็นอาตาที่มาไตยโลกาที่มาไตยลูกน้องกดดันครับเจ้านายไม่ได้อะไรครับได้เป็นจะได้อยู่ตำแหน่งเพราะโง่ดีลูกน้องไม่ค่อยว่าอะไรแ ต, แต่ผลงานไม่เกิดเขาชนะเราแพ้ต่างฝ่ายต่างได้เรียกว่าวินวินซิจูเอชั่นต่างพ้นต่างแพ้เรียกอนาธิปาไตยครับพุทนามีอหมผมยกตัวอย่างเลยครับนี่ครับถ้าดูภาพนี้นะ สมมติเ น, นอะขโมยมาขึ้นบ้านเราเราอยู่ข้างบนบ้านเราเดินลงมากันคือได้ยินเสียกุกกักกุกกักโจนมันงัดของอยู่ใต้บ้านเรามันถือปืนอยู่แดงพอเราลงไปมันก็ยิงเราตายพอยิงเราตา ย, ยเาายไป็นไงครับโลกาที่มาตายครับโจนชนะเราแพ้เราเราถือปืนลงไปครับเรายิงโจนเราชนะเขาแพ้บาปอีกครับ สุดท้ายครับยิงพร้อมกันครับตายทั้งคู่อยู่ครับธนาธิปไตยข้อสี่ข้อสามครับปืนจ้องอยู่จนรู้ว่าถ้ามันยิงมาเราก็ยิงสวนมันก็ถอยโดยสงบเราก็ไม่ต้องฆ่าใครวินวินซิจูเอชั่นครับธรรมาธิปตัตยในธรรมาธิปไตยนะครับเราปราบพวกกบฏบจกกังหวัดไหนก็าต่างรับตายเรียบเลยครับ เขาก็เป็นคนไทยนะเราชนะเขาแพ้ปล่อยให้เหขาฆ่าเราทุกวันเนื้อชาพุทธตายอพยพหนีพระถูกฆ่าเราแพ้เขาชนะโลกาภิพัฒน์หรือฆ่ากันต่างฝ่ายต่างฆ่ากันต่างฝ่ายต่างมีระบุตใส่กันตายกันหมดทั้งสฝ่ายไม่ได้อะไรเลยครับเป็นอนาธาิพัฒน์แต่ถ้าคิดว่าฆ่ากันไปก็ไม่มีใครชนะฆ่ากันทําไมครับ คืนดีกันดีกว่าสงบสันติภาพเหมือนผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยในการปราบคอมมนิสตที่เราคอมมนิสมาพัฒนาชาติเป็นธรรมามาธิปไัตายคัมวินวินซิชูอิชันการมีส่วนร่วมและก็โปร่งใสแล้วก็รกับเขาเข้ามาพัฒนาประเทศไทยนี่ครับสี่ทางเลือกเขาจะเลือกเรไหนเจ้าของบ้านยิ ง, ย, งยิงโจนก่อนโจนตายอตาพิปไตยโจนยิงก่อนเจ้าของบ้านตายโลกาพิพัตาย เจ้าของบ้านมองโจรโจรมองต่างฝ่ายต่างถอยครับทำมาที่เมตตายวินวินหรือต่างฝ่ายต่างตายทั้งคู่แก้ปัญหาในภาค ใ, ใต้มันจะต้องเป็นทำมาที่เมตตครับพุทธาสนาต้องแก้ปัญหาเรื่องความรุนแรงในบ้านเรือนด้วยครับเพราะฉะนั้นมีอีกหลายเรื่องที่อยากจะพูดแต่ว่าปกครองด้วยกฎหมายเอาเอาเฉพาะคอนเซ็ปต์พอนะครับ มีกรอบกฎหมายที่ยุติธรรมอย่าใช้ดับเบิลสแตนดาร์ดถ้าพวกฉันรอดถ้าพวกคุณไม่รอดอย่างนี้เขาเรียกว่าดับเบิลสแตนดาร์ดสองมาตรฐานนะครับพระพุทธเจ้าเป็นไงครับธรรมวินัยเป็นใหญ่ใช่ไหมครับอานนท์เมื่อเราร่วมไปแล้วเนี่ยไทยเป็นศาสดาครับธรรมวินยัยปกครองโดยธรรมวินัยกฎหมายพระพุทธเจ้าเวลาบรรยายวินัยทาไงครับสังฆสุตตัยยะ เพื่อยอมความยอมรับว่าดีแห่งสงศ์งต้องเห็นด้วยครับถึงจะปฏิบัติตามไม่ได้อิมโพสไม่ได้สั่งฟังความเห็นของคณะสงฆ์พระุทธเจ้าไม่ใช่ประเด็นการนะครับและสังฆผาสุตายะเพื่อความผาสุขแห่งสงศ์ฟังเสียงประชามติหลายๆฝ่ายของคณะสงฆ์เพื่อความยอมรับว่าดีแห่งสงศ์นี่หนึ่งในสองข้อนะครับยกตัวอย่างให้ฟังเหตุผลในการมาจากวิไยสุดท้ายครับ ประสิทธิภาพประสิทธิผลครับประสิทธิภาพคืออะไรครับลงทุนน้อยแต่ได้ผลตอบแทนมากทํางานให้สําเร็จลงทุนลงแรงน้อยได้ผลตอบแทนมากครับประโยชน์สูงประหยัดสุดมาประชุมสัมมนากันวันนี้นะครับไม่ใช่ตันน้าพิก ล, ลายแม่น้ํานะครับจายค่ารถก่อแพงอะไรก็แพงปรากฏ ว, ว่ามานั่งรำรำตืนตื่นฟันนนนงมากไม่ฟังมากประชุมกับใครรู้เรื่องโดย้นสารขาดทุนครับไม่มีประสิทธิภาพให้คุ้มเลยนะครับ ร่มีส่วนร่วมท่านจะต้องมีส่วนร่วมแล้วก็ประสิทธิผลคืออะไรครับเอ็กเล็กเฟยาที่มีประสิทธิผลคือปวดหัวกินปุ๊บรักษาโรคปวดหัวไม่ใช่กินปุ๊บโรคกระเพาะมายด้วยมันไม่ใช่ปีปัญหาตรงไหนแก้ตรงนั้นครับตรงจุดเป๊ะเป๊ะเรียกประสิทธิผลครับการเทศที่มีประสิทธิผลมากคือคือเทศตอนไหนครับองค์พูรีมานวิ่งตามไล่ฟันพระเจ้ามาปิดปิดปิดเราพูดพระเจ้าบอกองค์รีมานบอกหยุดหยุดพระ ฟันให้ธนาธนาหน่อยพระเจ้าบอกเราหยุดแล้วหยุดยังไงวิ่งอยู่นั่นเราหยุดจากการทําชั่วแล้วท่านยืยังให้หยุดได้ผลครับจี้ใจดําวางดาบเลยครับเราอยากได้พระประเภทนี้ครับส่งไปสิสามจันหวังภาคใต้ได้ผลมากครับองค์ไหนมีนะครับก้าวออกมาเลยครับช่างัดเลยครับอเขาเรียกว่าอบางประเภทนะครับอ่าวสุดให้ดูหน่ พิริกวิกตอรีครับชัยชนะของกูแพ้ครับลงทุนเยอะครับตันอะไรน้าพิงอะไรไม่น้ําครับแต่ขาดทุนย่อยยักครับจัดงานฝังลูกดีวิตย์นะครับเจ้าวาดบางองนะครับหมดไปสี่ล้านได้มาสองล้านต้องย้ายไปจําภาษาที่อื่นเจ้านี้ทวงแล้วก็ไปเส้นโลหิตแตกที่นู้นแล้วครับเหมือนกับท่านประมูลใช่ไหมราคาจริงเนี่ยครับห้าพันบาทแต่ว่าแข่งกันประมูลไประมาโน่นขึ้นเป็นแสนเราชนะการประมูลแต่เสียเป็นแสนแพ้ครับ ชนะแต่แพ้เพราะฉะนั้นบางองค์นี่ชนะนะครับเรียนจบชั้นสูงเลยครับแต่แพ้ครับแพ้เพื่อนแพ้ตรงไหนครับไอ้เพื่อนมาเรีย น, นแค่ปริญญาตรีเราเรียนนู่นปริญญาเอกแต่สมองนี่ครับมึนเพี้ยนไปตั้งแต่บัด น, นั้นเดินเอ๋อร์เลยครับงานไม่ได้ทําเลยเอีสู้ไอ้จบปริญญาตรีทั้งหลายมันจะทํางานดีได้ยังไงใช่ไหมเพราะฉะนั้นระวังให้ดีนะครับดูสุขภาพกันด้วยไม่ใช่เรียนจบก็ดีมรณภาพนะคือ คือทํางานด้วยให้มันได้ด้วยเรียนด้วยอะไรพอดีพอดีไม่ใช่ไม่ได้เรื่องไร้ราอะไรมันชนะจบแล้วชิดตังเมชิดตังเมโอไปให้ปริญญาที่โรงพยาบาลนะครับถือไว้ตาปิ๊บๆอย่างเดียวครับมีนะอย่าเป็นอย่างนั้นนะครับที่มาได้นี่ขอสแสดงความยินดีครับชนะจริงๆครับสอบได้ด้วยแล้วก็ยังมีชีวิตแข็งแรงอยู่ด้วย <c oughs> สุดท้ายนะครับผมมีอะไรจะฝากนิดหนึ่งครับก็คือสามสาขั้มนี่นะครับบัณฑิตมหาจุฬาครับต้องมีสมรรถภาพท่านจะมีประสิทธิภาพท่านจะต้องมีสมรรถภาพครับในประสิทธิภาพผมพูดมาแล้วนะครับเนินคนจะมีประสิทธิภาพทํางานลงทุนน้อยได้ผลตอบแทนมากถ้าต้องมีสมรรถภาพมีคุณภาพและก็สุขภาพสมรรถภาพคือพร้อมใช้งานสุขคุณภาพคือความเป็นเลิศและสุขภาพคือความพอใจ ท่านเห็ น, นป่าย น, นี้ไหมครับเวลาจะไปจอดรถที่ไหนก็ได้ถ้าเขามีแสดงว่าคนค น, นี้เนี่ยมีสมรรถภาพน้อยจึงจอดตรงนี้เดินไม่ได้ความพร้อมใช้งานมีน้อยให้วิ่งก็ไม่ได้พวกเราตอนนี้ครับปริญญาบัตพรพทบอมีพร้อมใช้งานเรื่องอะไรบ้างครับพร้อมใช้งานจบเอกภาษาอังกฤษผู้สันติไปแล้วจบพุทธศาสตร์สวดมนต์ทาอะไรต่างๆได้อย่างดี เขาลูกศรสอนได้เขาจะสมรรถภาพพร้อมใช้งานแต่บางคนจบภาษาอังกฤษนะครับเจอฝรั่งดีครับอไม่พร้อมใช้งานไม่มีสมรรถภาพให้สอนภานษาอังกฤษสอนไม่ได้จบเอกบาลีสอนบาลีไม่ได้ไม่พร้อมใช้งานจบด้านธรรมนิเทศเทศไม่เป็นผมขอให้ปิดป้ายตา ก, กระบาดรูปตัวเองก่าตา ก, กระบาดอย่นี้เลยครับเทศไม่เป็นแต่จบธรรมนิเทศไม่พร้อมใช้งานครับ อยู่ฝ่ายต่างประเทศพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ไม่มีสมรรภาพใช่ไหมครับใครว่าไม่ได้ขเขมนได้ลาวได้เอเทียงอี๋ครับความเป็นเลิศคืออะไรครับเท <c oughs> ่ากันหมดครับจบพศบไปทํางานที่ไหนไกลมือเที่ยงได้ทำงานในภาคกลางทำเต็มความสามารถเต็มร้อยครับใจเต็มร้อยครับเหมือนออยออใช่ไหมครับรับประกันว่าน้ำบริสุทธิ์ซื้อที่เชียงใหม่มันก็บริสุทธิ์ร้อยอร์ซ ปัตนาฯก็หรอจะเห็นไม่ใช่ว่ามีตาอยอยแต่ว่าขายเชียงใหม่ 90% กรุงเทพ 100% ปัตนาฯ 50% อย่างนั้นแสดงว่าไม่มีความเป็นเลิศถ้าท่านมีความเป็นเลิศจบพุทธศาสตร์บัณฑิตดุษฎีบัณฑิตสอนเต็มที่ใจเต็มร้อยครับทำงานเขียนหนังสือเต็มร้อยคุณภาพคับแก้วไม่ใช่ว่าไปเทศงานนี้กัรเทศเยอะเทศดีไปอีกงานหนึ่งโอ้ยนิดเดียวแค่นี้เทศสั้นๆวิ่งรอ อย่างนี้ไม่รับประกันคุณภาพไม่มีการุณาเพราะฉะนั้นท่านผู้บุญผู้สนาคืออะไรครับสมรรถภาพมาจากพระปัญญาคุณครับคุณภาพความไมลิก ม, มาจากอะไรครับการุณาคุณสงสารท่านสอนเด็กตาดำๆสอนเต็มที่โอกาสที่คนดีๆอย่างเราจะมาให้สอนนี่มันไม่มีอ๋อนึกอย่างนั้นต้องหลงตัวเองนิดหน่อยสอนให้เต็มที่จบพนบอลมาสอนต่างจังหวัดนี้ที่ไหนครับไม่มีเราที่แหละเสียสละขึ้นดอยนี่ต้องเรา เต็มที่เลยครับคุณภาพครับไม่ใช่ว่าสอนก็เก๊กก็ก๊อ้อยเอะอยะมันไม่ใช่อ้อยอะนะครับสุขภาพคือความพอใจคนรับบริการที่ท่านไปเทศไปสอนไปเขียนหนังสือไปบริหารไปจัดการเขามีความสุขตัวท่านเองก็มีความสุขนี่แหละครับธรรมมาพิบานธรรมมาพิบานก็เรามีธรรมะข้อ น, นี้คืออะไรครับปัญญาคุณกรุณาคุณวิสุทธิคุณครับ ถ้าท่านไม่คิดว่าท่านจะได้เท่าไหร่นะครับทําทงานมีความสุขผมมาพูดให้ผมไม่ได้เออหวังอะไรหวังอยางเดีย ว, ว่าให้ท่านได้ประททศสัมพันธไปคิดไปขยายพอละวถ้ามันบอกว่าขวายเท่าไหร่เหมือนเดิมพูดในมหาจุฬาก็เหมือนเดิมก็รู้กันอยู่ไม่ได้อะไรเท่าไหร่หรอกสู้ไปนครสวรรค์ได้เยอะกว่าเหรื อ, อยังไม่กี่ลู ก, กันนี้ เพราะฉะนั้นสุขภาพมีความสุขเหมือนกับที่ท่านพระมวังโศท่านเล่าให้ฟังในประชุมโลกครับไปสอนฝรั่งแม่เมาาื่อถามจะให้ฟังเทศท่านเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษท่านชาร์ตเท่าไหร่กี่บาทไม่คิดรู้หรือเปล่าเพราะเ่อชาร์ตนี่คือเก็บเงินเท่าไหร่แม่เมาาื่อไม่คิดแสดงแล้วไม่คิดอยู่ได้ยังไงล่ะคุณได้อะไรตอบแทนล่ะมาทําำอะไรได้ความสุขมาดามสุขสภาพใจ ได้ความสุขจากการประกาศธรรมะได้ความสุขที่ห เ, เห็นคนมีธรรมะมีธรรมาพิบัติพูดเพื่อให้คนไปปฏิบัติธรรมมีความสุขสังคมมีความสุขร่วมกันนั่นคือวัตถุประสงค์ของการพูดวันนี้ให้เกิดสติปัญญาฝากถวายท่านไปสัมมนากันด้วยเป้าหมายคือความสุขเช่นเดียวกันขออั้นคุณพระศรีรัตนตรยัยและอนุภาพของพ่อพระประธานศรีสักยั ทศพลายานประธานพุทธมณฑนสุทธิชัยจงมารวมกันเป็นตบาทเดชะมลวะปั จ, จัยอ่ณุโอยพ่อนให้ทุกท่านทุกรูปทุกคนจงมีความสุดความจเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปในล่มธรรมในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าปราศจากทุกโศกโรคภัยปัจจุบัททนรลายทั้งภวมเจริญด้วยอายุวันน่าสุขภาระ ป, ปฏิพานธรรมสารสมบัติปราถนาสิ่งใดที่ชอบประกอบได้ทมก็ขอให้ความปราถนานั้นตจงพันสําเร็จจงพันสําเด็จจงพันสมเด็ จ, จ, จทุกท่านทุกรูปทุกคน ตลอดการละนานเือ